วันนี้ก็เริ่มเป็นภาษาอังกฤษเพราะมีชาวต่างชาติมาจากประเทศสิวรเดียก็เลยถือโอกาสได้คุยได้ถามเขาเขาก็สนใจเรื่องการปฏิบัติเรื่องการฝึกสมาธิแต่ก็มีปัญหาฝึกไปแล้วก็ติดไปไม่ได้ไกลก็อยากจะรู้ว่าต้องทำยังไงก็อธิบายว่า การจะปฏิบัติสมาธิให้ได้ผลนี้ต้องอยู่ที่กาลังของสติว่ามีมากมีน้อยถ้ามีสติน้อยนั่งสมาธิก็นั่งไม่ได้นานสงบไม่ได้มากถ้ามีสติมากก็จะนั่งได้นานจะสงบได้มากดังนั้นก่อนที่จะนั่งสมาธิได้ผลจาเป็นที่จะต้องเจริญสติให้มากๆก่อนฝึกสติ การศึกสติก็คือการควบคุมความคิดนี่เองความควบคุมใจไม่ให้ไหลไปกับอารมณ์ต่างๆไม่ให้ไปคิดถึงอดีตไม่ให้ไปคิดถึงอนาคตพยายามดึงใจให้อยู่ในปัจจุบันปัจจุบันก็มีร่างกายเราเนี่ยที่ใจอยู่ตลอดเวลาอยู่กับใจอยู่กับร่างกายตลอดเวลาถ้าใจอยู่กับปัจจุบันใจก็อยู่กับร่างกายได้ แต่ถ้าใจไม่อยู่ปัจจุบันใจก็จะไปคิดถึงอดีตคิดถึงอนาคตกำลังกินข้าวอยู่แต่ใจไม่ได้อยู่กับการกินข้าวกินข้าวแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวจะไปทำอะไรดีเดี๋ยวจะไปพบกับใครดีหรือว่าเมื่อวานนี้ไปเจอใครไปทำอะไรใจจะไม่อยู่กับปัจจุบันจะไม่อยู่กับการกระทำของร่างกายถ้าเป็นอย่างนี้เวลานั่งสมาธิใจก็จะไม่อยู่กับลมหายใจจะไม่อยู่กับพุโทโธ มันก็จะไปคิดไปเรื่อยเปื่อยถ้าปล่อยให้นั่งคิดไปเรื่อยเปื่อยนั่งไปก็จะไม่สงบ ก, <ม>ก็จะไม่ก้าวหน้านั่งไปได้ไม่นานก็จะรู้สึกอึดอัดเพราะเกิดความอยากที่จะไปทานู่นทานี่ขึ้นมาก็จะทนนั่งต่อไปไม่ได้แต่ถ้าเราควบคุมความคิดได้เราก็จะควบคุมความอยากได้ถ้าเราไม่คิดเราก็จะอยู่เฉยๆได้นั่งอยู่ตรงไหนก็ได้ ทำอะไรไม่ต้องทําอะไรก็ได้แต่พอคิดแล้วเดี๋ยวมันต้องทำเพราะคิดแล้วมันอยากขึ้นมาอยากดูอยากฟังอยากอยากดื่มอยากรับประทานอะไรขึ้นมา ท, ทันทีดังนั้นการที่เราจะก้าวไปสู่การนั่งสมาธิได้อย่างสงบได้นานทําใจให้เป็นอุเบกขาได้นี่ต้องมีสติมากดังั้น เราต้องพยายามฝึกสติให้มากๆซึ่งเราสามารถฝึกได้ทั้งวันเพราะว่าเราสามารถฝึกสติควบคู่ไปกับการทำงานของเราได้เช่น ง, งานที่เราไม่ต้องใช้ความคิดเราสามารถฝึกสติได้เช่นตื่นขึ้นมาเนี่ยเรายังไม่ต้องใช้ความคิดพยายามดึงใจให้อยู่กับร่างกายให้อยู่กับปัจจุบันให้ดูว่าตอนนี้ร่างกายต้องไปทาอะไร เดินขึ้นมาก็ลุกขึ้นมาต้องยืนต้องเดินต้องเข้าห้องน้ำต้องล้างหน้าแปรงฟันต้องทําอะไรต่างๆก็ให้ใจอยู่กับการกระทําของร่างกายไปอย่าปล่อยให้ไปคิดถึงอดีตเมื่อวานนี้แล้วอย่าไปคิดถึงอนาคตเดี๋ยวจะไปทําอะไรที่นู่นที่นี่ไปพบกับใครให้วุ่นวายไปหมดขอให้รู้คร่าวๆก็พอว่าวันนี้เราต้องไปทําอะไร และก่อนที่เราจะไปถึงเหตุการณ์นั้นเราก็อย่าพิ่งไปให้อยู่กับร่างกายตอนนี้ร่างกายกำลังอยู่กับเหตุการณ์อะไรกำลังเตยมตัวก็อยู่กับการเตยมตัวกำลังอาบน้ำกำลังแต่งเนื้อแต่งตัวกำลังรับประทานอาหารกำลังเดินทางไปสู่จุดหมายปลายทางตลอดเวลานั้นเราไม่ต้องใช้ความคิดอะไรเราก็พยายามหยุดมันควบคุมความคิด ถ้ามันควบคุมหยุดมันไม่ได้ก็ต้องใช้สติใช้พุโทโธถ้าให้มันอยู่กับการกระทาเคลื่อนไหวของร่างกายไม่ได้มันจะแวบไปคิดถึงคนนั้นว่าไปคิดถึงคนนี้ก็ให้ดึงใช้พุโทโธดึงกลับมาพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธไป อ, อย่าปล่อยให้มันคิดนี่คือวิธีต่อสู้กับความคิดทุกครั้งที่มันจะไปคิดถึงที่มัน ที่ยังไม่ต้องคิดอย่าปล่อยให้มันคิดให้มันอยู่กับร่างกายให้มันเฝ้าดูล่างกายว่าตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่ถ้าเดินทางไปนั่งรถเดินทางไปทํางานถ้าไม่ได้ขับรถเองก็นั่งหลับตาดูลมไปดีกว่าไปนั่งดูถนนหนทางดูคนดูอะไ ร, ราะดูแล้วมันก็เริ่มคิดอีกนั้นถ้าเราไม่จำเป็นอย่าไปรับรู้อะไรจะดีกว่า อย่าไปรับรู้รูปเสียงกลิ่นรสต่างๆหลับตาแล้วก็ภาวนาไปขณะนั่งรถไปทํางานพุโทโธพุโทโธพุทโธไปเราจะรู้สึกว่าสบายแล้วไปเร็วรถจะติดนานเท่าไหร่ก็เหมือนไม่ติดเพราะเราไม่รับรู้เราอยู่กับพุโทโธพุทโธไปอยู่กับลมหายใจไปเพ้อแคาพเดียวถึงที่ทํางานละถึงจุดหมายปลายทางะนี่คือ วิธีที่เราจะต้องทำก่อนที่เราจะนั่งสมาธิได้เราต้องฝึกสติให้มากๆพยายามหยุดความคิดให้ได้คิดเท่าที่จำเป็นคิดกับเรื่องที่เรากำลังทำอยู่ในปัจจุบันเท่านั้นอย่าไปคิดถึงอดีตอย่าไปคิดถึงอนาคตนอกจากว่าถ้าต้องเป็นจะต้องคิดเพราะเป็นเรื่องของนานที่จะต้องมีการคิดถึงอดีตบ้างคิดถึงอนาคตบ้างก็คิดได้ แต่อย่าปล่อยให้คิดแบบไม่มีกรอบไม่มีเหตุไม่มีผลแต่ถ้าไม่คิดได้เลยจะดีกว่าฉะนั้นคนที่จะฝึกสติจริงๆให้ได้ผลจริงๆส่วนใหญ่จึงมักจะออกจากงานหรือทําทําหรือทําในวันที่ไม่ต้องทํางานทําในวันหยุดเพราะการทํางานก็ต้องใช้ความคิดถ้าใช้ความคิดมันก็จะทําให้ใจไม่สงบถึงแม้ว่าจะเป็นความคิดที่จําเป็นต้องคิด เรื่คิดเกี่ยวกับเรื่องงานการต่างๆก็ตามมันก็ยังเป็นศัตรูกับการทกับการทำใจให้สงบอยู่เฉะนั้นคนที่อยากจะทำใจให้สงบนี้มักจะต้องอไม่ทำงานกันไปบวชกันที่ให้มาบวชนี้ก็เพื่อเราจะได้ไม่ต้องไปทำงานไปทำมาหากิน แล้วก็บวชนี้ก็มีคนเลี้ยงดูให้ไม่ต้องเสียเวลาไม่ต้องเสียเวลาไปคิดหาเงินหาทองหาอะไรต่างๆมาเลี้ยงดูเพียงแต่เดินไปบินทบาทวันหนึ่งก็ได้อาหารมาแล้วที่อยู่อาศัยก็มีคนสร้างให้อยู่แล้วค่าน้ำค่าไฟก็มีคนจ่ายให้แล้วการมาบวชนี้เป็นเป็นการกระทำที่ดีที่สุดสำหรับผู้ที่ต้องการที่จะฝึกสติ ผู้ที่ต้องการนั่งสมาธิผู้ที่ต้องการเจริญวิปัสสนาเจริญปัญญาเพราะจะมีเวลาทำได้ทั้งวันทั้งคืนตั้งแต่ตื่นจนหลับเลยแล้วถ้าทำจริงๆเนี่ยก็จะสามารถบรรลุมรรคผลนิพพานได้ภายในชาตินี้เลยเนี่ยมีนักบวชที่เป็นครูบาอาจารย์ต่างๆที่เรารู้จักกันท่านก็บรรลุมรรคผลนิพพานกัน หลุดพ้นกันเป็นพระอาหารหันต์กันได้เพราะท่านมีเวลาปฏิบัติมีเวลาเจริญสติไม่ต้องไปทำงานไม่ต้องใช้ความคิดไปกับการทำงานหยุดความคิดตลอดเวลาเพราะงานที่ท่านทำนี้ไม่ต้องใช้ความคิดเดินบินธบาลนี้ก็ไม่ต้องใช้ความคิดอะไรเวลาทำความสะอาดลานวัดปัดกวาดทำความสะอาดสารากวาดถูทาอะไรก็ไม่ต้องใช้ความคิดมาก ก็สามารถที่จะควบคุมความคิดได้ตลอดเวลาแล้วพอท่านไม่มีภารกิจที่จะต้องทำท่านก็ไปนั่งสมาธินั่งแล้วพอออกจากสมาธิมาก็มาเดินจงกรมต่อถ้านั่งสมาธิจน จ, นจิตสงบแล้วได้อุเบกขาแล้วเวลาออกมาเดินจงกรมก็มาฝึกเจริญวิปัสสนาเจริญปัญญามาสอนใจให้ ให้รู้จักว่าสิ่งต่างๆที่ใจมาสัมผัสรับรู้นี้เป็นพิษกับใจเป็นโทษเป็นภัยกับใจเรียกว่าเป็นทุกข์ทำให้ใจทุกข์เพราะอะไรเพราะทุกสิ่งทุกอย่างที่ใจสัมผัสรับรู้ด้วยนี้มันไม่เที่ยงแท้แน่นอนมันเป็นอนิจจังมันมีการเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลามีเจริญบ้างมีเสื่อมบ้างมีเกิดบ้างมีดับบ้าง มีดีบ้างมีไม่ดีบ้างมีสุขบ้างมีทุกข์บ้างมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาของมันตามธรรมชาติของของมันเป็นอย่างนี้มันเป็นอนัตตามันไม่ได้เป็นของใครไม่มีใครไปควบคุมบังคับมันได้มันเป็นเหมือนดินฟ้าอากาศที่มันเป็นไปตามเรื่องของมันฝนมันจะตกมันก็ตกแดดมันจะออกมันก็ออกไม่มีใครไปไปสั่งไปห้ามมันได้ ให้เราพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นสัตว์เป็นบุคคลคนก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเพราะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาสามวันดีสี่วันไข่บางทีก็ดีบางทีก็ร้ายบางทีก็ตามใจเราบางทีก็ขัดใจเราอย่าไปหวังหาความสุขจากสิ่งต่างๆเหล่านี้เพราะจะผิดหวังเพราะจะได้ความสุขแบบชั่วคราว ความสุขใหม่ๆเวลาได้อะไรมาใหม่ๆจะได้ความสุขเพราะตอนนั้นมันยังไม่เปลี่ยนแต่พอได้มาสักพักนึงแล้วเดี๋ยวมันก็เปลี่ยนจากดีก็กลายเป็นไม่ดีจากใหม่ก็กลายเป็นของเก่าไปของเก่ามันก็มักมจะเสียใช้ไม่ได้เดี๋ยวต้องเอาไปซ่อมต้องไปทําอะไรอยู่เรื่อยๆนี่คือการเจริญปัญญาให้เห็นตายรักคำว่าตายลักก็คือทุกสิ่งทุกอย่างนี้ ไม่เที่ยงอนิจจงอนัตตาไม่ได้เป็นไม่อยู่ภายใต้การควบคุมบังคับของใครไม่มีใครจะสั่งจะห้ามเขาได้ตลอดเวลาสั่งได้บ้างบางเวลาห้ามได้บ้างบางเวลาแต่ไม่ได้ตลอดเวลาเช่นร่างกายของเรานี้ตอนนี้เราสั่งมันได้สั่งให้มันไปไหนมาไหนได้แต่พอมันไม่สบายขึ้นมาสั่งให้มันไปไหนมันไม่ไปแล้วมันบอกจะนอนอย่างเดียวลุกไม่ขึ้นนะ อ น, นี่คือทุกอย่างเป็นอย่างนี้แล้วถ้าเราไปอาศัยความสุขของเราจากสิ่งอังนนี้เราจะจะต้องเสียใจจะไม่สามารถหาได้เวลาที่มันไม่สามารถตอบสนองความต้องการของเราได้มันก็จะทําให้เราทุกข์กันนั้นเราอย่าไปหลงไหลกับสิ่งต่างๆมีสิ่งเดียวเท่านั้นที่จะให้ความสุขกับเราได้อย่างแท้จริงและทุกครั้งทุกเวลา ที่เราต้องการก็คือความสุขจากการทำใจให้สงบแล้วถ้าเราฝึกสมาธิทำใจให้สงบจนชำนาญเราสามารถเข้าสมาธิได้ทุกเวลาที่เราต้องการนั่งไปดูลมไปห้านาทีใจก็สงบแล้วพุโทโธพุโทโธไปห้านาทีใจก็นิ่งสงบไม่ต้องทำอะไรให้เหนื่อยยากเป็นความสงบเป็นความสุขที่ดีกว่าไปทำอะไรต่างๆ ไปเที่ยวที่ไหนก็ตามหมดเงินไปกี่ร้อยกี่หมื่นกี่พันก็ตามสู้นั่งสมาธิไม่ได้แล้ง่ายกว่าเร็วกว่าด้วยจะไปเที่ยวแต่ละครั้งนี่ต้องไปเตรียมตัวเตรียมเงินเตรียมข้าวเตรียมของอะไรกันวุ่นวายไปหมดกว่าจะได้ไปเนี่ยไปเที่ยวสองอาทิตย์นี่อ จ, จะต้องเตรียมตัวต้องเดือนนึงไม่ล่วงหน้าก่อนนะ<ม>แล้วไปเที่ยวสองอาทิตย์กลับมาก็หมดไปละพอกลับมาก็หมดแล้วก็ไม่อิ่มด้วย กลับมีแต่ความหิวความอยากกลับไปเที่ยวใหม่แต่ความสงบนี้มันให้ความอิ่มกับเราให้ความสุขกับเราไม่มีความหิวพออกจากสมาธิมามันก็ยังเย็นยังสบายแล้วถ้าเกิดมันเกิดความอยากเราก็ใช้ปัญญาสอนมันอย่าไปอยากอยากแล้วทุกข์อยู่เฉยๆดีกว่าถ้าเราหยุดความอยากได้ใจเราก็จะสบาย มีความสุขโดยที่ไม่ต้องเข้าสมาธิตัวที่ทำให้เราไม่สุขก็คือความอยากของเรานี่เราจรึงต้องพิจารณาตายลักเพราะสิ่งที่เราอยากมันเป็นตายลักมันเป็นของชั่วคราวเป็นความสุขชั่วคราวและเราไม่สามารถไปควบคุมบังคับมันได้เวลามันหมดไปเราก็ทุกข์ถ้าเห็นทุกอย่างเป็นตายลักไปเที่ยวก็เป็นตายลักไปดูหนังฟังเพลงก็เป็นตายลัก ไปมีแฟนก็เป็นตายรักไปหาเงินทองมามากน้อยเพีงยงไรก็เป็นตายรักเป็นความสุขไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่เที่ยงแท้แน่นอนไปเป็นใหญ่เป็นโตก็เป็นตายรักเห็นไนหะเป็นสาสอไม่กี่ปีก็หมดเป็นนายกไม่กี่ปีก็หมดเป็นอะไรก็หมดทั้งนั้นแต่มีอย่างเดียวที่ไม่หมดก็คือความสงบเนี่ย ถ้าเราทำความสงบได้มันจะกลับมาเราสั่งให้มันสงบได้ตลอดเวลาที่เราต้องการนี่คือวิธีที่จะทำให้ใจเราสงบถ้าสงบด้วยสมาธิมันก็ยังต้องเข้าๆออกออกอยู่แต่ถ้าสงบด้วยปัญญานี้ไม่ต้องเข้าๆออกออกถ้ามีปัญญาเราจะสามารถทำใจให้สงบด้วยการไม่ทำตามความอยากต่างๆเวลาอยากไปเที่ยวก็ไม่ไป ต่อไปความอยากเที่ยวก็จะหมดไปแล้วก็จะไม่มีอะไรมาก่อขวนใจให้เราต้องไปเที่ยวกันที่ไปเที่ยวไม่ใช่เพราะอยากไปเพราะเพราะอะไรเพราะมันอยู่ไม่ได้มันอยู่แล้วมันน้ำคาญมันถึงต้องไปเที่ยวถ้าอยู่แล้วมันสุขมันไปมีไปเที่ยวหรออยู่สุขแล้วมันสบายกว่าไปเที่ยวใช่ไหมอยู่ถ้าอยู่บ้านแล้วมีความสุขมันจะไปข้างนอกทําไมให้เหนื่อยยากกว่าบ้างไอ้ที่ต้องไปข้างนอกกันเพราะมันอยู่บ้านไม่ได้มันอยู่บ้านแล้วมันทรมาน เหมือนจะถูกถูกถูกเขาทรมานถูกเขาทาร้ายใจเนี่ตัวความอยากไปเที่ยวยมันทำให้เรารู้สึกทรมานใจทำให้เรารู้สึกขดตูห ง, ง้อยง้อยเงาว้าเหวขึ้นมาแต่ถ้าเรามีความสงบไม่มีความอยากไปเที่ยวใจจะไม่มีความรู้สึกเหล่านี้จะรู้สึกอยู่บ้านสบายแสนสบายไม่ต้องแต่งเนื้อแต่งตัวไม่ต้องไปวุ่นวายกับ สถานที่ต่างๆที่เราไปไปวุ่นวายกับการเดินทางพอไปถึงสถานที่ก็ไปวุ่นวายกับคนที่อยู่สถานที่นั้นออกอยู่บ้านคนเดียวสบายกว่าถ้าถ้าใจสงบใจไม่มีความอยากแล้วไม่มีที่ไหนจะสบายเท่ากับบ้านของเรา <c oughs> แต่ใจเราไม่มีความสุขมันจะอยู่บ้านไม่ติดไม่มีความสงบมันถูกความอยากคอยดันอยู่เรื่อย แต่ถ้าเรามีกาลังที่สามารถที่จะสู้กับความอยากได้มันอยากไปก็ไม่ไปสู้กันไปตอนนั้นทุกข์มากแต่พอเราชนะความอยากแล้วมันจะหายทุกข์ความอยากมันพอมันหมดกำลังที่จะดันเราไปมันก็จะทำให้เราเบาสบายเบา อ, อกเบาใจสบาย อ, อกสบายใจขึ้นมาจะอยู่เฉยๆได้ไม่เดือดร้อน หน้าที่ของเราก็คือต้องสู้กับความอยากทุกชนิดให้ได้ความอยากเที่ยวอยากดูหนังฟังเพลงเรียกว่ากามาตัณหาความอยากทางตาหูจมูกลิ้นกายความอยากเป็นเป็นใหญ่เป็นโตยอยากร่ำอยากรวยหรืออยากให้คนคนนั้นคนนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นอย่างนี้ก็ต้องตัดมันไปให้หมดแล้วก็ความอยากไม่เป็น ความอยากไม่จนความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็ต้องตัดมันไปเพราะถ้าไม่ตัดมันจะทุกเวลายากจนมันจะทุกเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาแก่มันจะทุกแต่ถ้าไม่มีความอยากมันจะไม่ทุกจนก็ไม่ทุกแก่ก็ไม่ทุกเจ็บก็ไม่ทุกตายก็ไม่ทุกอันนี้แหละที่เราจะต้องฝืนมันหยุดมันให้ได้จะฝืนมันหยุดมันได้ต้องมีมีสมาธิช่วย ถ้าไม่มีสมาธิทนไม่ไหวไแล้วเวลาเกิดความอยากใจสัน่นมือไม้สั่นไปหมดแต่ถ้ามีมันสัน่นถ้าเรามีสติมีสมาธิเราหยุดมันได้เรากําหนดดูลมหายใจพุโทโธพุโทโธไปเดี๋ยวมันก็หายสัน่นหายสัน่นแล้วความอยากที่เรามันดันให้เราไปทําเราไม่ต้องไปทํามันพอไม่ไม่ทำมันเดี๋ยวมันก็สู้เราไม่ได้มันก็ถอยไปต่อไปมันก็จะไม่มารบกวนเรา มันก็จะปล่อยให้เราอยู่อย่างสบายอย่างตอนนี้เราตอนนี้เราสบายกันตอนนี้เราไม่มีความอยากเรานั่งลงนี้กันได้แล้วพอมีความอยากนั่งไม่ได้แล้วอยากจะลุกก็ต้องต้องต้องลุกไปแล้วแต่ตอนนี้ยังไม่มีความอยากอย่างถ้าเราสามารถทำให้ใจไม่มีความอยากได้ด้วยการกำจัดความอยากทุกครั้งที่มันโผล่ขึ้นมามันอยากจะทาอะไรก็อย่าปล่อยให้มันทำ อันนี้เป็นเรื่องของวิธีที่เราจะสร้างความสุขกำจัดความทุกข์ต่างๆให้มันหมดไปจากใจของเราถ้าเราไม่กำจัดที่ความอยากมันจะไม่มีวันหมดถ้าเรากำจัดด้วยการทำตามความอยากมันจะกำจัดได้ชั่วคราวเวลาหงุดหงิดลำคาญใจอยากจะไปเที่ยวก็ไปเที่ยวกันว่าเวลาไปเที่ยวความหงุดหงิดลำคาญใจก็หายไป เดี๋ยวพอกลับมาบ้านอยู่แม่ไไม่กี่วันเดี๋ยวหงุดหงิดขึ้นมาใหม่อยากจะไปเที่ยวใหม่ะ แ, แต่ถ้าอยากมันหงุดหงิดอยากจะไปแล้วไม่ไปใช้สมาธิสู้กับมันไปะถ้ามันหงุดหงิดลำคาญใจมือไม้สัน่นก็พุทโธพุทโธนั่งสมาธิไปไม่ไปเดี๋ยวสักพักหนึ่งพอใจสงบความอยากก็หายไปแล้วพอมันโผล่ขึ้นมาใหม่ก็ใช้วิธีนี้ะ ใช้ไปสักพักหนึ่งเดี๋ยวมันก็หมดกําลังแล้วต่อไปความอยากไปเที่ยวจะไม่มีถ้าจะไปมันจะไปด้วยเหตุผลด้วยความจาเป็นเช่นไม่สบายต้องไปหาหมอก็ไปไม่มีข้าวกินก็ออกไปหาข้าวมากินก็ไปแต่จะไม่ได้ไปด้วยความอยากเพราะมันจะเห็นระหว่างไปกับอยู่ว่าอย่างไหนสบายกว่ากันอยู่มันสบายกว่าไปใช่ไ เวลาจะออกนอกบ้านทีมันก็ต้องมีนู่นมีนี่แล้วต้องใส่เสื้อผ้าต้องอะไรแนละแต่เวลาอยู่บ้านนี่สบายไม่ต้องไม่ต้องมีอะไรนี่คือวิธีที่เราจะปฏิบัติกันปฏิบัติเพื่อกำจัดความอยากทั้งสามกลุ่มกลุ่มแรกเรียกว่าความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสการมาตัณหาอยากดูอยากฟังอยากลิ้มรส ด, ดมกลิ่น อยากไปเที่ยวนี่ก็กามาตัณหาแล้วเพราะเราไปเที่ยวก็เพื่อไปดูไปฟังไปอะไรต่างๆผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายอยากเป็นใหญ่อยากเลื่อมอยากรวยอยากให้เขายกย่องสรรเสริญเยินยอเราออยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อยากให้เขาทําอย่างนั้นทําอย่างนี้อันนี้ก็เรียกว่าเป็นความอยากที่เราต้องกําจัดกลุ่มที่สองความอยากมีอยากเป็น ความอยากไม่มีอยากไม่เป็นก็เป็นกลุ่มที่สามอยากให้เขาไม่เป็นอย่างนั้นอยากให้เขาไม่เป็นอย่างนี้เขาเป็นกล้วยอยากจะให้เขาเป็นส้มอย่างเงี้พอเขาไม่เป็นก็เดือดร้อนขึ้นมาเขาเป็นกล้วยก็ปล่อยเขาเป็นกล้วยไปอย่าไปอยากให้เขาเป็นส้มหรือร่างกายมันจะแก่ก็อย่าไปอยากให้มันไม่แก่ร่างกายมันจะเจ็บไข้ได้ป่วยจะไปอยากให้มันไม่เจ็บไข้ได้ป่วยมันก็จะทาให้เราทุกข์ ร่างกายมันจะตายไปอยากให้มันไม่ตายมันก็จะทาให้เราทุกข์อย่างอย่าไปทุกข์กับมันปล่อยมันไปเพราะเราทําอะไรไม่ได้มันเป็นอนัตตาเราไปควบคุมบังคับไปสั่งมันไม่ได้อทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เราไปสั่งมันไม่ได้รูปเสียงกลิ่นรสต่างๆไปสั่งมันไม่ได้ลาบยศสรรเสริญไปสั่งมันไม่ได้อความแก่ความเจ็บความตายไปห้ามมันไม่ได้ ให้เรามาใช้สมาธิหยุดความอยากเหล่านี้ถ้าเรามีสมาธิแล้วเรารู้ว่าความอยากเหล่านี้เป็นอันตรายต่อจิตใจของเราการรู้ว่าความอยากเป็นอันตรายความรู้ว่าสิ่งที่เราอยากมันเป็นทุกข์นี่เรียกว่าปัญญาเรียกว่าวิปัสสนาแต่รู้เฉยๆแต่ไม่มีกำลังหยุดความอยากก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเช่นตอนนี้เรารู้กันแล้วว่า ความอยากไม่ดีความอยากจะพาให้เราไปสู่ความทุกข์สิ่งที่เราอยากได้ก็ไม่ดีเพราะมันไม่เที่ยงมันได้มาแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องหมดไปพอหมดไปมันก็ทําให้เราทุกข์เรารู้อยู่แต่พอมันเกิดความอยากขึ้นมาเราหยุดมันไม่ได้เพราะเราไม่มีกําลังหยุดมันเราต้องมีกําลังสิ่งที่จะเป็นกําลังของเราก็คือสมาธิสมาธิจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องมีสติ เราจึงต้องมาฝึกสติกันก่อนฝึกให้มากๆฝึกให้บ่อยๆฝึกตลอดเวลาฝึกให้เป็นนิสัยขึ้นมาให้ได้ท uh> ี่ท uh ี่จะฝึกสมาธิได้ดีก็คือที่ที่เราไม่ต้องทำงานที่เราไม่ต้องเกี่ยวข้องกับใครที่ที่เราอยู่คนเดียวได้เพราะเราจะได้ควบคุมความคิดได้อย่างง่ายดายถ้าเราต้องไปทำงานเราควบคุมความคิดไม่ได้ถ้าเราต้องไปเกี่ยวข้องกับคนนั้นคนนี้ควบคุมความคิดไม่ได้ เห็นเขาเดี๋ยวก็คิดแล้วแต่ถ้าเราอยู่คนเดียวไม่เห็นใครไม่มีงานอะไรต้องทำมันจะคิดอะไรเราก็หยุดมันได้เห็นถ้าอยากจะฝึกสติได้อย่างมีผลนี่ต้องไปปรีกวิเวกไปหาที่สงบไปอยู่คนเดียวแล้วก็ต้องขยันอยากขี้เกียจอยู่คนเดียวแล้วถ้าขี้เกียจก็ไม่เกิดสติขึ้นมาโดยอัตโนมัติสติมันจะเกิดก็ต่อเมื่อเราคอยควบคุมความคิดคอย คอยดึงใจให้ไม <f ü udes> so no, so ่ให้คิดดึงใจให้อยู่ในปัจจุบันถ้ามันจะไปอดีตก็ดึงมันกลับมาที่ร่างกายมันจะไปอนาคตก็ดึงกลับมาที่ร่างกายถ้าไม่มาที่ร่างกายก็ใช้พุทโธก็ได้ดึงให้มันกลับมาที่พุทโธก็ได้ใช้พุทโธพุทโธไปมันก็จะหยุดคิดถึงอนาคตหยุดคิดถึงอดีตได้พอมันหยุดแล้วเราก็มาดูร่างกายต่อได้ไม่ต้องใช้พุทโธก็ได้ ถ้ามันอยู่กับร่างกายก็ไม่คิดเรื่องอะไรก็ไม่ต้องพุโทโธแต่ถ้าให้มันอยู่อยู่กับร่างกายแล้วมันจะคิดเรื่องนู้นเรื่อง น, นี้ก็ใช้พุโทโธเดินกลับมาพยายามฝึกสติให้มากๆตลอดเวลาแล้วพอเรามีเวลานั่งก็นั่งให้มากๆนั่งให้บ่อยๆยิ่งนั่งมากเท่าไหร่มันจะยิ่งเกิดความชำนาญเหมือนกับเวลาที่เราหัดขับรถเวลาหัดขับรถใหม่ๆเราจะขับไม่ชนานาญ แต่เราขับไปเรื่อยๆขับไปๆๆบ่อยๆต่อไปเราก็จะชำนาญเวลาขับรถชำนาญแล้วไม่ต้องคิดเลยใช่ไหมเวลากระโดดขึ้นปับ๊บใส่กุญแจปั๊บสตาร์ทรถเหยียบเครื่องวิ่งไปเลยแต่เวลาขับรถใหม่ๆนี่ต้องคิดก่อนกุญแจอยู่ตรงไหนทําอะไรต้องสตาร์ทรถก่อนต้องอะไรก่อนเพราะมันไม่ชินนมันไม่เคยการกระทําบ่อยๆแล้วมันจะเกิดความเคยชินขึ้นมาการฝึกนั่งสมาธิบ่อยๆ ฝึกสตบ่อยๆมันจะเกิดความเคยชินขึ้นมาต่อไปมันจะดึงใจให้อยู่ในปัจจุบันตลอดเวลามันจะไม่ปล่อยให้ไปอดีตไม่ให้ไปอนาคตในเวลานั่งสมาธิให้มันอยู่กับลมมันก็จะอยู่กับลมให้อยู่กับพุทโธมันก็จะอยู่กับพุทโธพอมันอยู่กับลมอยู่กับพุทโธมันก็จะไม่คิดอะไรมันก็จะสงบมันก็จะนิ่งจะเย็นจะสบายจะเป็นอุเบกขาจะไม่มีความรู้สึกที่จะ มีความรักความชังความชอบความหลงอะไรเห็นอะไรก็เฉยเฉยได้ไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนไปกับสิ่งที่เรารับรู้เราเห็นแต่มันจะเฉยได้ไม่นานเพราะความอยากมันยังไม่ได้ถูกกําจัดมันยังเพียงถูกกดเอาไว้ด้วยกำลังของสมาธิพอกำลังของสมาธิอ่อนลงความอยากเริ่มโผล่ขึ้นมาอเบกขาก็จะเริ่มหายไปความอยากคือความรักความชังก็จะโผล่ขึ้นมา ถ้าอยากจะให้มันหายให้ความรักความชังหายไปก็ต้องใช้ปัญญามาสอนใจว่าอย่าไปรักอย่าไปชังอะไรเพราะสิ่งต่างๆในโลกนี้มันเป็นตายรักมันจะทำให้เราทุกข์ถ้าเราไปรักเราก็จะทุกข์เราไปชังก็จะทุกข์เวลารักอะไรเราก็อยากได้พอไม่ได้ก็ทุกข์พอได้มาแล้วเสียไปก็ทุกข์อีกเวลาเราชังอะไรอยากจะให้มันหายไปมันไม่หายเราก็ทุกข์อีก แต่ถ้าเราหยุดความรักความชังได้ปล่อยให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปตามเรื่องของมันรู้ว่ามันเกิดดับไปรักไปชังก็จะเสียใจไปเปล่าๆปล่อยมันเกิดบันดับไปอย่าไปยุ่งกับมันเราก็จะไม่มีความรักความชางังไม่มีความอยากแล้วความอยากก็จะหยุดไปหายไปแล้วอุเบกขาก็จะกลับมาความสงบก็จะกลับมาโดยที่ไม่ต้องเข้าสมาธิ ถ้าเรามีใช้ปัญญาเป็นเราไม่ต้องใช้สมาธิก็ได้แต่ยากถ้าถ้ายังไม่มีสมาธิใช้ปัญญาอย่างเดียวไม่พอต้องมีสมาธิด้วยแล้วก็ใช้ปัญญาด้วยถึงจะสามารถกำจัดความอยากได้อย่างถาวรอันนี้คือสิ่งที่เราต้องฝึกกันต้องปฏิบัติกันถ้าเราอยากจะให้ชีวิตของเรานี้มีแต่ความสุขปราศจากความทุกข์ เป็นสิ่งที่เราทำกันได้ทุกคนถ้าเรารู้จักวิธีแล้วเราทุ่มเทเวลามเวลาให้กับการปฏิบัติตอนนี้เรายังไม่ทุ่มเทกันเราเพียงแต่เป็นแบบพวกมือสมัครเล่นกันอยู่ชอบอยู่แต่ยังเสียดายของเก่ารักพี่เสียดายนอ้องชอบธรรมะแต่ก็ยังเสียดายรูปเสียงกลิ่นรสยังเสียดายรากยศสารเสริญ ยังเสียดายกับการไปเที่ยวไปเล่นไปกินไปดื่มยังเสียดายเพื่อนฝูงอยู่ยังเสียดายแฟนอยู่เราก็เลยเป็นแบบรักพี่เสียดายน้องเป็นแบบกลืนไม่เข้าคายไม่ออกจะจะได้ก็ไม่ได้จะเสียก็ไม่เสียก็เลยคาลาคาซังอยู่อย่างนี้ถ้าเราอยากจะได้เราต้องตัดสินใจเลือกทางใดทางหนึ่งมันถึงจะไปได้ถ้าจะเอาทั้งสองทางนี้ไปไม่ได้ พุทธเจ้าท่านก็คาราคาซังอยู่พักใหญ่อยู่ในวงังท่านก็เสียดายความสุขที่มีในวงังแต่พอไปคิดถึงความแก่ความเจ็บความตายก็ก็รู้ว่าเดี๋ยวมันก็จะต้องหมดก็อยากจะไปบวชแต่ก็ยังไปไม่ได้ยังเสียดายอยู่จนถึงวันสุดวันถึงขีดเต็มถึงถึงวันหนึ่งมันถึงขีดที่มันจะต้องตัดสินใจมันก็เลยต้องตัดสินใจ ันที่มีลูกคิดว่าถ้าอยู่ต่อถ้าอยู่ไปเดี๋ยวก็ติดลูกห่วงลูกรักลูกสงสารลูกก็จะทิ้งลูกไปไม่ได้เพราะฉะั้นถ้าจะไปก็ต้องไปวันนั้นไปโดยที่ไม่ต้องไปดูลูกไม่ไปดูหน้าตาลูกพอได้ข่าวว่าภรรยาคลอดลูกให้ก็ถึงเวลาต้องไปแล้วพ่อบ่วงมาแล้วท่านเรียกลูกว่าบ่วงบ่วง คำว่าบวกภาษาบาลีเรียกว่าลาหุนลาหุนแปลว่าบวงเขาก็เลยตั้งชื่อลูกว่าลาหุนเพราะเวลามีคนมาบอกว่าท่านได้ลูกแล้วท่านก็อุทานลาหุนขึ้นมาเขาก็เลยคิดว่าท่านกำลังตั้งชื่อลูกว่าลาหุนเขาก็เลยไปบอกให้ภรรยาตั้งชื่อลูกว่าลาหุนแต่ตัวพ่อไปแล้วถึงเวลาต้องไปแล้วต้องเลือกทางใดทางหนึ่งแล้ว ถ้าถ้าถ้าไม่เช่นนั้นมันก็จะไปไม่ได้มันก็ยังจะติดอยู่กับความสุขแบบเก่าอยู่แล้วเดี๋ยวก็จะต้องเจอกับความทุกข์ต่างๆเพราะความสุขแบบเก่านี้มันเป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขที่จะเปลี่ยนไปหมดไปแล้วพอมันเปลี่ยนไปหมดไปความทุกข์ก็จะเข้ามาแทนที่ถ้าพวกเราอยากจะไปหาความสุขที่แท้จริงที่ถาวร เราต้องพยายามพิจารณาสิ่งที่เรามีอยู่ว่ามันเป็นตายรักเป็นอนิจจทุกขังอนัตตามันเป็นความสุขชั่วคราวเป็นความสุขที่ต่อไปเราจะไม่สามารถที่จะมีได้เวลาที่ร่างกายเราแก่ร่างกายเราเจ็บเวลาที่ร่างกายเราตายหรือเวลาที่เงินทองหมดเนี่ยเวลาเกิดล้มละลายขึ้นมาที่เนื้อปราดาตัวหรือเวลาคนที่เรารักเขาทิ้งเราไปหรือจากเราไปเนี่ย เวลานั้นเราจะไม่มีความสุขเราจะมีแต่ความทุกข์ให้คิดบ่อยๆให้คิดถึงความแก่ความเจ็บความตายบ่อยๆให้คิดถึงการพัดพากจากกันบ่อยๆเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวมันจะทำให้เรามีกำลังที่จะไปไปบวชกันไปสร้างความสุขในรูปแบบใหม่กันคือการไปฝึกจิตไปฝึกสติทำใจให้สงบแล้วก็ไปเจริญปัญญาเพื่อให้ปล่อยวางให้หยุดความอยากต่างๆให้หมด ที่ยังมีอยู่ในใจเวลาที่พระพุทธเจ้าไปทิ้งสารราชสมบัตินี้ก็หยุดความอยากบางอย่างได้แต่ยังอยากไม่หมดยังต้องไปปฏิบัติต่อเพราะความอยากจะกลับไปในวังก็ยังมีอยู่ถึงแม้จะออกจากวังไปแล้วแต่พอคิดถึงวังขึ้นมาก็อยากจะกลับไปก็มันก็เลยต้องใช้สติใช้สมาธิใช้ปัญญาคอยกำจัดความอยากต่าง ที่ยังโผล่ขึ้นมาอยู่ในใจให้มันหมดไปพอคำจัดได้หมดแล้วทีนี้พรอองค์มีความมั่นใจแล้วว่าไม่มีความอยากหลงเหลืออยู่ในใจแล้วหลุดพ้นจากความอยากแล้วหยุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดแล้วเพราะตัวความอยากนี้เป็นตัวที่ทำให้เรากลับมาเวียนว่ายตายเกิดกันอยากดูก็ต้องมีตาอยากฟังก็ต้องมีหูพอร่างกายตายไปก็ต้องไปหาร่างกายอันใหม่ เพื่อจะได้ดูได้ฟังใหม่ <Yeah. S 1> ที่เรามาเกิดกันนี้เพราะเรามีความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสกันอยากดูรูปอยากฟังเสียงอยากริมรสอยากดมกลิ่นอยากสัมผัสสิ่งต่างๆที่มาสัมผัสกั บ, กบทางร่างกายเช่นความแข็งความนุ่มความร้อนความเย็นอย่างนี้เป็นต้นทำให้เราต้องมีร่างกายพอมีร่างกายแล้วก็ต้องมาทุกข์เพราะร่างกายมันต้องแก่มันต้องเจ็บมันต้องตาย แต่ตายไปกี่หนก็กลับมาเกิดใหม่ถ้าเราไม่มาหยุดความอยากทั้งสามประการนี้หยุดความอยากในรูปเสียงกลิ่นลดความอยากมีอยากเป็นอยากมีอยากมีอยากเป็นก็ต้องมีร่างกายอยากเป็นนายกก็ต้องมีร่างกายอยากเป็นดาราก็ต้องมีร่างกายอยากเป็นอะไรก็ต้องมีร่างกายแต่พอมีแล hmm. hmm. ้ว hmm. ก uh. hmm. hmm. mm. yeah. ็ม hmm. ีมีความอยากไม่เป็นขึ้นมาอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายขึ้นมา อยากให้ร่างกายเหมือนเดิมไปตลอดพอถึงอายุสามสิบให้มันหยุดตรงนั้นได้ก็ดีนะไม่ต้องแก่ไม่ต้องเจ็บไม่ต้องตายให้เป็นหนุ่มเป็นสาวกันไปตลอดแต่มันไม่เป็นไปพอมันแก่มันก็ทุกข์เพราะอยากไม่แก่พอมันเจ็บไข้ได้ป่วยก็ทุกข์เพราะอยากไม่เจ็บพอมันตายก็ทุกข์เพราะอยากไม่ตายแต่ถ้าเราสามารถหยุดความอยากเหล่านี้ได้เราจะไม่ทุกข์ แล้วเราจะไม่กลับมาเกิดอีกต่อไปเพราะเราไม่ต้องใช้ร่างกายไม่ต้องไปมีร่างกายถ้าไม่ต้องดูก็ไม่ต้องมีตาไม่ต้องฟังก็ไม่ต้องมีหูไม่มีความอยากดูก็ไม่ต้องใช้ตาไม่มีความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสก็ไม่ต้องมีร่างกายไม่มีร่างกายก็ไม่ต้องไม่ต้องกลับมาเกิดใจนี้ไม่มีความอยากนี้เป็นใจที่อิ่มที่พอถึงไม่ต้องกลับมาเกิดมีความสุขมากกว่า ใจที่มีความอยากความอยากนี้ทำให้หิวความไม่มีความอยากนี้ทำให้อิ่มจะอิ่มได้ก็ต้องมีสติมีสมาธิมีปัญญาที่เรายังที่เรายังไม่มีกันตอนที่พระพุทธเจ้าออกจากวังตอนนั้นยังไม่มีสติไม่มีสมาธิไม่มีปัญญาพอที่จะกำจัดความอยากต่างๆได้แต่หลังจากที่ปฏิบัติหปีก็สามารถมีสติมีสมาธิมีปัญญาขึ้นมาสามารถ กำจัดความอยาก ต, าต่างๆที่มีอยู่ในพระทัยของพระองค์ให้หมดสิ้นไปเลยหมดสิ้นแล้วก็สบายอยู่เฉยๆก็มีความสุขไม่ต้องทําอะไรร่างกายก็เลี้ยงมันไปตามอัตภาพถ้ามันเลี้ยงได้ก็เลี้ยงมันไปเลี้ยงไม่ได้ก็ปล่อยมันตายไปมันไม่มากระทบกับความสงบความสุขของใจเพราะมันเป็นคนละคนกันร่นางกายก็เป็นคนหนึ่งจิตใจก็เป็นอีกคนหนึ่งไม่เกี่ยวกัน สำหรับพวกเราที่มันเกี่ยวกันเพราะเราไปโยงมันเองเราไปดึงมันมาโยงกันว่าเป็นอันเดียวกันเราไปคิดว่าร่างกายเป็นใจพอร่างกายเป็นอะไรใจก็ทุกไปกับมันแต่ถ้าเรามีปัญญาเราจะแยกร่างกายจากใจได้ใจจะรู้ว่าร่างกายใจไม่ได้เป็นร่างกายร่นางกายไม่ได้เป็นใจร่นางกายแก่ใจไม่ได้แก่ร่นางกายเจ็บใจไม่ได้เจ็บร่นางกายตายใจไม่ได้ตาย อันนี้คือสิ่งที่เราจะได้รับจากการที่เรามาฟังเทศฟังธรรมเพื่อเราจะได้รู้ว่าเราจะต้องนําอะไรต้องไปปฏิบัติอะไรกันสิ่งที่เราต้องปฏิบัติกันให้มากๆอันดับแรกก็คือสติพอมีสติแล้วก็นั่งสมาธิให้มากๆให้มันชำนาญให้เข้าสมาธิได้ทุกครั้งที่เราต้องการพอเราชำนาญทางสมาธิแล้วเราค่อยไปทางปัญญาในพิจารณาทุกอย่างให้เห็นว่าตายลั พอเห็นว่าตายรักเวลาเกิดความอยากขึ้นมาก็จะไม่อยากได้อะไรไม่อยากเป็นอะไรไม่อยากมีอะไรแล้วความอยากมันเพื่เราไม่ไปทําตามมันมันก็จะหมดไปเหมือนคนที่สูบบุหรี่ถ้าอยากสูบบุหรี่ถ้าไปสูบมันก็จะอยากไปเรื่อยๆแต่ถ้ามันอยากสูบบุหรี่แล้วไม่สูบเดี๋ยวความอยากมันก็หมดก็เลิกสูบบุหรี่ได้นี่คือเรื่องของการมาศึกษาแล้วนําเอาไปปฏิบัติน ถ้าปฏิบัติได้ถ้ามีศีลถ้ามีสติมีสมาธิมีปัญญารับรองได้ว่าจิตใจจะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้ยุติการเวียนว่ายตายเกิดได้เหมือนกับที่พระพุทธเจ้าได้ทรงทํานายไว้ว่าไม่เจ็ดวันก็เจเดือนไม่เจดเดือนก็เจดปีรับรองว่าจะสามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ได้อย่างแน่นอนก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะอนุโมทนาให้พร ยะถาวาเรกวหาปุราปะเรกปุเรนติสาคหลังเอวเมวอิโตทินนางเปตานางอุปกาปติอิชิตังปฏติตางตุมหังคิปะเมวะสมิจโตสัพเพอปุเรนตุสังกปาจันโทปนระโสยะถามณีโชติ พระราษฎยถาสัพพิติโยวิวัจฉานตุสัพพะโรโควินาศตุมาเตภวตวันตารโยสุขีทีขายยโภพะอภิวาทานสีลิตสานิจังวุธาปจายโนจตารโธรมมวัานติอายุวันโอสุขัง พารังยังไงคิดจะลองลดความอยากดูบ้างไหมพยายามตอนต้นก็เริ่มลดหน่อนยดทีละเล็กเทียรน้อ ย, ยเอาเวลาที่ไปทำความอยากมานั่งสมาธิแทนาทางนี้เข้ามาเท่าไหร่ วันนี้ทาง Facebook เข้ามาสามร้อยแปดครับ y o u t u หนึ่งร้อยสิบสี่วิทยุสิบเจ็ดแล้วก็รับชมอยู่ข้างบนนี้สามสิบเก้าเป็นสี่ร้อยเจ็ดสิบปดคนครับมีคำถามใครอยากจะถามบันคำถามน ะ, ะเดี๋ยวรอส่งไมโครโฟนไปก่อนจะส่งไปทางนี้นะกลับนามัสการค่ะพระอาจารย์ อยากเรียนถามว่าที่เขากล่าวกันว่าจิตดวงสุดท้ายเป็นจิตที่สาคัญที่สุดมีจริงหรือเปล่าคะไม่จริงหรอกมันสําคัญมันสําคัญทุกทุกขณะทุกขณะจิตนะถูกต้องมันมันไม่ได้อยู่ที่จิตคำว่าจิตดวงสุดท้ายก็เหมือนกับเวลาที่เราปิดบัญชีสิ้นปีนี่เราทำบัญชีมันเราก็จะได้รู้ว่าเราติดลบแล้วติดบวกกันใช่ไหมเวลาเราทางานเมปิด เวลาสิ้นปีล้าก็ทําปิดบัญชีเราจะได้รู้ว่าออปีนี้เรากำไรหรือขาดทุนอันนี้ก็บเมืองนันจิตสุดท้ายก็เป็นเวลาที่เราปิดบัญชีของชีวิตเราเป็นเวลาที่เราจะทิ้งชีวิตนี้ไปแล้วเราก็ต้องคิดบัญชีก่อนว่าเราทําบุญกับทาบาปอันไหนมากกว่ากันไม่ใช่แต่เราจะมาแต่งบัญชีไม่ได้เข้าใจไหมไม่ใช่วันสุดท้ายามาเขียนบัญชีให้มันให้มันบวกมันไม่ได้หรอก มันอยู่ที่ว่าเราจ่ายไปเท่าไหร่เราได้มาเท่าไหร่มันก็จะบวกลบคูณหารกันน้มันมันก็จะมาตกมันก็จะมันก็จะปรากฏว่าติดลบแล้วบวกอย่าไใดเราทำบุญทาบาปมาทุกวันทุกวันมันก็เหมือนกับเราทำการค้าขายมันก็มีรายจ่ายมีรายรับมันก็เราก็ใส่ไปในบัญชีทุกวันทุกวันพอถึงเวลาจิตสุดท้ายเวลาเราตายมันก็เป็นเวลาที่มันจะมาคิดบัญชีกันบุญมีเท่าไหร่ บาปมีเท่าไหร่ถ้าบุญมีกําลังมากกว่าบุญก็ดึงจิตไปสวรรค์ถ้าบาปมีกําลังมากกว่ามันก็ดึงไปอาบายนะมันสําคัญตรงนั้นสําคัญตรงที่ว่ามันจะถูกดึงไปทางไหนแต่มันไม่มันจะมาแต่งบัญชีในมั น, นะมนขั้งสุดท้ายไม่ได้ในจิตสุดท้ายนะี่ไม่ได้คนบางคนคิดว่าออก่อนจะตายเขพุโทโธพุโทโธไปก็จะไปดีมันไม่มีทางหรอกฉะนั้นคนอื่นเขาพุโทโธมาถ้าเป็นแทบตายก็ข า, ขาดทุนเลย สู้ไปกินเล่าเมายาให้มันสนุกแล้วพอถึงเวลาจะตายเข้ามาพุโทโธสองคำเลยจิตสุดท้ายมันไม่มมมทำไม่ได้หรอกไม่มาแต่งบัญชมีมาแต่งได้ป่ะแสดงว่าก่อนที่สมมติญาติผู้ใหญ่หรือคุณพ่อคุณแม่เราจะเสียชีวิตการแต่งบัญชีตอนนั้นคือการสวดมนต์ให้อะไรต่างๆไม่ได้หรอไม่ได้ช่วยช่วยอะไรไม่ได้เลยไม่ได้หรอค่ะเพแต่อาจจะให้สติเขาว่าเออ อ ย, อ, ยอย่าอย่าอย่าไปทับถมจิตใจ <c oughs> พอเวลาจะตายนี่มันจะกลัวมันจะมันจะเกิดกิเลสขึ้นมามากก็เตือนสติให้อย่าไปเกิดอาการตกใจเกิดอาการกลัวให้ทำใจให้สงบ <c oughs> แต่มันจะมันจะทำได้ไม่ได้มันไม่รู้เหมือนกับนักมวยถ้าไม่เคยซ้อมมาก่อน <c oughs> พอถึงวันที่จะขึ้นเวทีก็มาบอกให้ต่อยแบบนี้ต่อยแบบนี้มันจะต่อยได้หรือเปล่าขออีกคำถามนึ่งค่ะ แรกเดิมพิสุทธิ์ที่พูดกันคือจิตบริสุทธิ์ไม่ใช่ใช่ชจิตไม่บริสุทธิ์จิตบริสุทธ<ม>ิ์ก็เป็นจิตของพระอรานกับพระพุทธเจ้าเท่านั้นเองจิตเดิมนี่หมายถึงจิตที่มีตมาแต่ดั้งเดิ ม, มจิตเดิมถ้ามันกลับไปอยู่ในสภาพเดิมก็คือสภาพที่สงบที่เรียกว่าฌานย<ม>จิตที่เราเกลับเข้าไปในสภาพสงบฌานมันก็จะสว่างเป็นประพัดสอนขึ้นมาเวลาจิตเข้าฌานสงบจิตมันจะสว่าง มันกลับไปสู่สภาพเดิมของมันสภาพที่มันไม่มายุเกี่ยวกับร่างกายเขาจะ่อตอนนั้นมันมันกลับไปอยู่ตามสภาพของมันแต่เวลามันมามีอยู่กับร่างกายมันก็ออกจากฌานมาถ้าอย่างนั้นเด็กที่ต้องเกิดก็ไม่เกี่ยวกับการเลี้ยงดูอะไรใดๆมาจา ก, กจิตเดิมการเลี้ยงดูก็เป็นการเป็นการให้ข้อมูลใหม่เป็นการสอนเขาเพิ่มเติมเพิ่มเติมค่ะ หวานล้อมเขาอะไรได้ในระดับหนึ่งแต่ถ้าเขามีนิสัยเดิมมาที่แรงกว่าที่เราจะสอนเขาได้เขาก็ไม่รับก็ได้ไม่ว่าจะทางดีหรือทางไม่ดีอย่างพระพุทธเจ้านี่สะสมความดีมามากถึง แ, แม่พ่อจะไม่อยากให้ไปบวชก็ห้ามไม่ได้กลับขอบพระคุณค่ะพระอาจารย์คำถามจาก facebook ครับกลับเรียนถามพระอาจารย์ครับ เมื่อเริ่มปฏิบัติยืนเดินนั่งนอนก็จะตึงเกรง็งและปวดไปหมดโดยเฉพาะบริเวณหน้าขมับคอจนถึงหลังจนไม่สามารถทนได้เป็นมาปกาีกว่าแล้วครับ<ม>แรกเริ่มปฏิบัติไม่เป็นต้องแก้ไขอย่างไรครับเพราะอยากปฏิบัติมากครับกราบสาธุครับถ้ามันเป็นทางร่างกายอาจจะต้องไปถามหมอต้งให้หมอดูแต่ถ้าเป็นเฉพาะเวลาปฏิบัตินั้นก็เป็นกิเลส ถ้าเวลาไปเที่ยวไปเล่นไปเล่นกีฬาไปออกกําลังกายทําอะไรอย่างอื่นที่เราชอบไปตีกอล์ฟไปตีเทนนิสแล้วไม่เป็นก็แสดงว่ามั น, ม, น, นมันเป็นกิเลสอันนั้นก็ไปหาหมอหมอกขาช่วยไม่ได้ก็ต้องรู้ว่ามันกิเลสเป็นเป็นมายาอย่าไปกลัวมันมันจะปวดจะเจ็บก็อย่าไปสนใจมันก็พยายามเดินจงกรมไปนั่งสมาธิไปคําถามจากคุณปราณี หลวงพ่อเมื่อคืนลูกไปนั่งสมาธิฟังธรรมจนสว่างจิตนิ่งดูลมหายใจเข้าออกแต่จิตไม่รวมลูกข้ามผ่านตรงนี้ไม่ได้เลยกราบเมตตาลูกด้วยเจ้าค่ะส่วนหนึ่งว่าพ่อเราอยากให้มันรวมเวลานั่งเราอยากให้มันรวมมันก็จะไม่ไม่รวมในเวลานั่งอย่าไปอยากให้มันรวมให้อยากดูลมอย่างเดียวให้อยู่กับลมไปอย่างเดียวจะรวมไม่รวมอย่าไปกังวลกับมัน ถ้าไปลุ้นอยู่เลยเมือมม่อไหร่จะรวมเมื่อไหร่จะรวมมันไม่มีวันรวมต้องเป็นธรรมแบบไม่รู้ไม่ชี้ไปทำดูลมไปไม่สนใจว่ารวมหรือไม่รวมแล้วเดี๋ยวมันก็จะรวมเองคำถามจากคุณมะตามที่พระอาจารย์กล่าวก็แสดงว่าเราทำบุญแทนใครไม่ได้ใช่ไหมคะเฉพาะเราทำได้ส่วนเลสนิดเดียวเฉพาะคนที่ตายไปแล้วเราไปเป็นขอทานเนี่ย พวกขอทานเราเรียกว่าเปรตพวกนี้เขามาขอส่วนบุญได้แต่ได้นิดเดียวได้แบบเงินที่เราให้ขอทานเท่านั้นเองบุญส่วนใหญ่นี้ต้องของใครของมันทำแทนกันไม่ได้หมนแล้วเหรอวันนี้คำถามน้อยยังยังไม่ได้ตั้งหลักมั้ง ถ, ถามรดี๋ อาจารย์คะถ้าสมมติว่าที่ว่าละละตัวตนอะไรเงี้ยค่ะแล้วทําไมพอในขั้นที่ว่าจิตสงบแล้วทําไมถึงมีมานะอะไรเงี้ยค่ะมีความถือตัวอยู่อะค่ะไม่มีเวลาสงบมันจะไปถืออะไรไม่ใช่เพะแบบว่าเวลาผ่านตรงราคะมาแล้วอะไรประมาณเนี้ค่ะฮะที่ที่ว่าเป็นที่ว่าคนที่ตัดทางร่างกายได้แล้วอะคะแล้วทําไมจึงจึงจึงมีมานะถือตัวถือตนอยู่ก็มันยังอยู่ในจิตมันไม่ได้อยู่ในร่างกาย ตัวที่ถือตัวมันอยู่ในจิตมันไม่ได้ตอนต้นมันถือตัวอยู่ที่ร่างกายเราไม่มีร่างกายมันถือมันก็จะไปถือจิตเป็นตัวตนแทนเข้าใจไหมตอนถ้ามีร่างกายก็ถือร่างกายร่างกายฉันเป็นของฉันอย่างนั้นอย่างนี้ใช่ไหมพอไม่มีร่างกายให้มันถือมันก็จะไปถือจิตต่ออีกทีไอตัวที่ถือตัวตนมันยังไม่ได้ตายจากการที่เรา เราก็พิจารณาสุภะปล่อยวางร่างกายพิจารณาความเกิดแก่เจ็บตายมันไม่ได้ตายมันมันย้ายสถานที่ยึดจากจากจิตจากร่างกายมาอยู่ที่จิตมันมันยึดทั้งสองที่ยึดที่กายด้วยยึดที่จิตด้วยยึดที่จิตก็คือมันก็คิดว่าฉันเป็นนู่นฉันเป็นนี่แต่แต่ว่ามันก็จะพ่วงมาจากมันก็จะ เป็นความหลงมาจากกลไม่เป็นความหลงอ่ะมันอยู่ในจิตแต่ดั้งเดิมตัวความถือตัวนี้มันอยู่ในจิตมันถือถือว่าร่างกายเป็นตัวมันเป็นของมันแต่ตัวที่ถือนี่มันอยู่ในจิตถึงแม้จะไปทำลายร่างกายตัวที่ถือนี่มันไม่ได้ถูกทำลายไปด้วยมไม่ต้องไปสนใจปฏิบัติไปเถอกเอาสมาธิให้มันได้ก่อนเนี้ <ส>ไม่เห็นนู่นนะไม่ทแบบเห็ น, ห น, หนอ่อย่าไปพูดไปก็ไม่มีวันที่จะ เ, เข้าถึงสิบปากว่าไม่เท่าหนึ่งตาเห็นปฏิบัติไปให้มันผ่า น, ผ, านผ่านปล่อยวางร่างกายให้ได้ก่อนเถไม่กลัวความแก่ความเจ็บความตายไม่มีความไม่มีการอารมณ์ไม่อยากจะร่วมหลับนอนกับใครให้ได้ก่อนแล้วค่อยไปถึงตัวนั้น คำถามจากคุณปุฒภรณ์คำว่าทุกข์ทนได้ยากมีความหมายอย่างไรครับอ่าก็ลองไปเปิดเด็กดูหนี่ยเราจะมาถามเราทำไมเราไม่รู้ว่าเพราะคำว่าทุกข์สำรับเราก็คือเวลาเราไม่สบายใจเราเรียกว่าทุกข์เวลาเราไม่สบายกายเราก็เรียกว่าทุกข์ทุกกายทุกใจแต่ว่าทนไม่ได้นี่เราไม่รู้ว่าเขาเอามาจากที่ไหนคาถามครับ อยากให้จิตสงบมีเรื่องคิดมากเลยค่ะทําได้ยังไงก็หยุดคิดเลยพุโทโธพุทโธแทนเวลามันจะคิดก็แข่งกับมันพุโทโธแข่งกับมันไปพุทโธพุทโธพุทโธไปดูว่าใครจะชนะถ้าพุโทโธชนะมันก็หยุดคิดได้ถ้าพุทโธแพ้มันก็คิดต่อไปก็เท่านั้นเองเหมือนชักก็เยอะใช่ไหมชักก็เยอะใครมีกําลังมากกว่าก็ชนะใครมีกําลังน้อยกว่าก็แพ้ตอนนี้เราแพ้มันเพราะเราพุโทโธเราไม่มีกําลัง หยุดความคิดไม่ได้เพราะเราไม่เราไม่เรียกพุโทโธเราไม่พยายามสร้างพุโทโธให้มันมีมากขึ้นแต่เราต้องหมั่นพุโทโธพุโทโธไปแล้วต่อไปมันจะมีกําลังมากขึ้นมันจะสู้กับความคิดได้ความคิดของเรานี้มันคิดมาตั้งแต่ดึกดําบรรณแล้วนะมันคิดมาไม่รู้กี่แสนล้านชาติแล้วนี่มันเป็นแชมป์อยู่ฮเราพุโทโธนี่มันเพิ่งเพิ่งผู้ที่มาฝึกใหม่ เราก็ต้องพยายามสร้างพุทโธขึ้นมาหมั่นพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆแล้วต่อไปเดี๋ยวเราก็จะมีกำลังสู้กับมันได้คำถามจากคุณฟูถ้าเราประสงค์จะบวชสักประมาณสามเดือนแล้วเรากลับมาทำงานอีกเพื่อสั่งสมบุญและดูใจเราอย่างนี้พระอาจารย์มีความเห็นอย่างไรดีหรือไม่ครับก็ดีกว่าไม่บวชนะแต่ถามว่าดีดีเลิศไมไม่ดีเลิศะ จะดีแล้วก็ต้องบวชแล้วไม่ศึกใช่ไหมถ้าบวชแล้วศึกเดยวไอ้ที่บวชมาสามเดือนมันก็จางหายไปแต่ก็ยังดีมันอย่างน้อยมันได้เหมือนกับไปดูหนังตัวอย่างไปดูว่าวิธีชีวิตของนั่งบวชบวชเป็นอย่างไรมีโอกาสปฏิบัติได้มากน้อยเพียงไรก็เหมือนกับการไปดูหนังตัวอย่างยังไม่ได้ดูหนังจริงใชถ้าดูหนังจริงก็ต้องดูตั้งแต่ต้นจนจบเลย การบวชสามเดือนจะถามว่าดีไม่ดีอย่าดีดีดีพอไม่ไม่พอจะให้ดีพอดีมากก็ต้องบวชแบบไม่ศึกดูพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างดูพระสาวกเป็นตัวอย่างตรงนี้เขาไม่บวชสามเดือนเขาบวชตลอดชีวิตเขาบวชจนเขาบรรลุคำถามจากคุณพัฒนันถ้าครั้งหนึ่งตอนเด็กเคยปราโมทพระอรหันโดยความไม่รู้ เห็นคนอื่นวิจารณ์ก็วิจารณ์ตามตามไปโดยไม่รู้ mm hmm. พอโตมาปฏิบัติธรรมศรัทธาพุทธศาสนาภาวนาค้นหาตัวตนพิจารณาขันห้าตั้งใจถอดถอนตัวตนให้หมดในสักวันทำไปจนลมหายใจสุดท้ายแล้วพอนึกมาก็เสียใจผลบุญบาปมันจะแสดงผลเยี่ยงไรขอรับสาธุาการเราที่เราไปปรามาสพระอาหารหันต์ก็ เป็นการที่เราไม่ศรัทธาไม่เชื่อท่า น, นั้นเองมันก็ทําให้เราไม่สามารถเข้าไปศึกษารับประโยชน์จากท่านได้ท่า น, นั้นเองก็ไม่มีบาปกรรมอะไรเพียงแต่ตัดโอกาสเหมือนกับเราปรามาตวาจุลานี่โรงเรียนห่วยก็ไม่เรียนอย่างนี้ก็ไม่ได้เข้าจุลาท่านั้นเองใช่ไหมก็ม hmm. ีท่า น, นั้นไม่มีเพียงแต่เราตัดโอกาสอันดีโอกาส mm hmm. ที่เราจะได้ไปศึกษากับคนที่รู้จริง mm hmm. เห็นจริง แต่เรากลับไปปรามาสว่าเขาไม่ได้เป็นอย่างนั้นจริงเราก็ไม่ไปเรียนกับเขาเท่านั้นเองเราก็ไม่เราก็เสียโอกาสอันดีเพราะได้ไปเรียนกับเขาอาจจะบรรลุภายในเจ็ดวันเจ็ดเดือนก็ได้อันนี้ก็ฉะนอย่าไปปรามาใครอันดีกว่าใครเ็าเป็นอะไรก็ดูดูไว้ก่อนก็ เ, เรียกว่าฟังหูไว้หูเชื่อห้าสิบไม่เชื่อห้าสิบเพราะเรายังไม่รู้จริงใช่ไม ก็จะ ต, ต้องไปพิสูจน์ดูก่อนไปเข้าใกล้ชิดไปฟังไปศึกษาก็เหมือนกับการดูเพชรเนี่ยถ้าเรายังดูเพชรไม่เป็นคนก็เอาเพชรมาให้เราดู<ม>บอกว่านี่เป็นเพชรแท้แต่รเราก็ไม่รู้ว่ามันจริงหรือไม่จริงวิธีที่จะรู้ว่าจริงไม่จริงเราก็ต้องไปถามคนที่เขาดูเพชรเป็นว่าให้เพชรนี้จริงไม่จริงดูยังไงถ้าเราไม่รู้ว่าเขาเป็นพระจริงหรือไม่จริงเราก็ลองไปถามคนที่เขารู้ โดยแม่ก็ศึกษาจากพระไตรปิฎกพระไตรปิฎกก็จะมีวิธีให้เราดูว่าสุปฏิปันโนเป็นยังไงอุชุยายาสามิจิปฏิปันโนเป็นยังไงเราก็สังเกตดูว่าท่านเป็นอย่างนั้นหรือเปล่างั้นพระพุทธเจ้าสอนว่าอย่าไปเชื่ออะไรทันทีทันใดอย่าไปเชื่อหรือไปปฏิเสธทันทีทันใดให้เอาไปพิสูจน์ดูก่อนเอาไปเช็คดูก่อนว่าเขาเป็นอย่างที่เขาพูดกันหรือเปล่า คำถามจากคุณมีมกราบนมัสการค่ะดิฉันเปิดร้านชากาแฟอยู่ดิฉันค้นทางเน็ตจึงทราบว่าชาทุกอย่างผสมสีหมดบางยี่ห้อมีออยอก็ยังผสมสีแล้วทางกรมวิทยาศาสตร์ออกเตือนแล้วว่าสีที่ผสมเป็นอันตรายก่อมะเร็งและขายน้ำหวานจากสีสังเคราะห์อีก ดิฉันจะมีบาปไหมดิฉันปฏิบัติทรมาสิบแปดปีแล้วกลัวกรรมเวรดิฉันจะเลิกขายน่าจะดีกว่าไหมคะก็ดีอนะถ้ามันก็เหมือนกับขายสารพิษเนี่ยคนบริโภคแล้วทำให้เข า, เ, าเจ็บไข้ได้ป่วยหรือถึงกับตายได้ก็ไม่ควรที่จะขายสินค้าเหล่านั้นขายสินค้าที่มีคุณมีประโยชน์แต่อย่าไปขายสินค้าที่มีโทษคาถามจากคุณฉเฉลย กราบเรียนถามพระอาจารย์ค่ะเวลานั่งสมาธิสักพักจะมีดวงสีเหลืองบ้างเขียวบ้างดําบ้างไหลมาหาเราทางปลายจมูกหมายความว่าอย่างไรคะก็หมายความว่าอย่างนั้นแหละอย่าไปสนใจมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามันจะทําให้เราเสียสมาธิถ้าเราไปสนใจมันอย่าไปสนใจรับรู้แล้วก็กลับมาที่ลมต่อ ดูลงไปเรื่อยๆอย่าไปสนใจกับสิ่งต่างๆที่มาปรากฏให้รับรู้คำถามครับขอเมตตาจากพระอาจารย์ครับหากอยากบวชมากเพราะเห็นความจริงของการเกิดว่ามันเป็นทุกข์มากแต่มีภาระต้องเลี้ยงดูพ่อแม่ผมควรทําอย่างไรดีขอคําแนะนําด้วยครับก็ออยังอยากไม่จริงเลยถ้าอยากจริงก็ทิ้งได้หมดน ถ้าเราคิดว่าเกิดเราตายวันนี้แล้วพ่อแม่ก็จะทํำยังไงใช่ไหมเราอยู่นี่มีอะไรรับประกรันว่าเราจะไม่ตายก่อนพ่อก่อนแม่อาจจะมีอุบัติเหตุอาจจะมีโครคภัยไข้เจ็บขึ้นมาเมื่อไหร่ก็ได้แล้วถ้าเราตายไปแล้วพ่อแม่ก็จะทํำยังไงเขาก็ต้องดูแลตัวของเขาไปจนได้เขาดูแลไม่ได้เขาก็ต้องตายดูดูแลได้เขาก็ต้องตายเหมือนกันถ้าเราคิดเป็นแล้วเราก็จะ ทิ้งเขาได้ไม่ใช่าทิ้งเพาว่าปล่อยให้เขาอยู่ของเขาได้นอกจากว่าเขาตอนนี้ทําอะไรเองไม่ได้อย่างนี้ก็อีกอย่างเช่นเขาพิกลพิการเป็นอัมาพฤกษ์กามภาพอย่างนี้แล้วเราเป็นคนต้องเลี้ยงเขาอย่างนี้อันนี้เราก็อาจจะต้องหามาตรการหาเงินจ้างคนมาเลี้ยงเขาให้ได้ก่อนพอมีคนมาดูแลแทนเราได้เราก็เราก็ค่อยไปแต่ถ้าเรามาคิดว่าเราเป็นลูกเรามีหน้าที่ต้องเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ เราไปบวชไม่ได้พระพุทธเจ้าก็ไปบวชไม่ได้ใช่ไหมเราต้องเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ในกรณีที่ท่านเลี้ยงตัวเองไม่ได้หรือเช่นเวลาท่านแก่การมาบวชนี้ก็ยังเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ได้พระพุทธเจ้าอนุญาตให้อาอาหารที่ได้จากบิณฑบาตนี้ไปเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ได้ถ้าถ้าจําเป็นจริงๆถ้าพ่อแม่เลี้ยงตัวเองไม่ได้พระพุทธเจ้าอนุญาตให้เอาอาหารที่บิณฑบาตนี้ไปเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ได้ ยังก็ถ้าพ่อแม่เขาเลี้ยงตัวเขาเองได้ดูแลตัวเขาเองได้ก็ไม่ต้องไปกังวลหรอกปล่อยเขาอยู่ไปตามสภาพของเขาแล้วเราจะช่วยพ่อแม่ได้ดีกว่าทีหลังสิถ้าเราไปบวชแล้วถ้าเรามีธรรมะแล้วต่อไปเรามาสอนพ่อแม่ได้ช่วยพ่อแม่ให้ดีไม่ดีหลุดพ้นได้อย่างที่พระพุทธเจ้าได้ทํามาพระพุทธเจ้าหลังจาก หลังจากที่ท่านหลุดพ้นแล้วท่านก็มาสอนพ่อสอนแม่สอนญาติสอนพี่สอนน้องก็ออกบวชกันบรรลุปเป็นพาาาระอรหันต์กันเป็นจำนวนมากเรฉนั้นถ้ามันยังถ้ายังทิ้งไม่ได้ก็ต้องอยู่ต่อไปก่อนแต่ก็พยายามหามาตรการหาเงินหาทองเก็บเงินเก็บทองไว้แล้วก็จ้างใครมาเลี้ยงดูท่านไปหรือถ้าทิ้งไม่ได้จริงๆก็ต้องปฏิบัติในฐานะของ คารวะไปก็ยังปฏิบัติได้เราไม่ได้เลี้ยงพ่อแม่ตลอดยี่บสี่ชั่วโมงเราก็มีเวลาที่เราจะไปฝึกสมาธินั่งสมาธิทำใจให้สงบฟังเทศฟังธรรมได้ยังมีเวลาอยู่ยังปฏิบัติได้ถ้าเราตั้งใจปฏิบัติจริงๆอาจจะไม่ต้องบวชก็ได้บางคนนี่บารมีสูงสามารถปฏิบัติได้บรรลุได้ในขณะที่เป็นคารวะก็มีคาถามจากคุณตัน กราบนมัส ก, การพระอาจารย์ครับทำไม อ, อนิสงฆ์ถวายผ้าบางสกุลจึงมี อ, อนิสงฆ์มากกว่ากรถิ่นทานครับไม่รมู้ไม่รู้เนี่ยเราไม่ได้ยินไม่เคยได้ยินนะว่าเป็นอย่างนี้คำถามจากคุณ BB, บีบีกราบนมัส ก, การพระอาจารย์คะ่ะถ้าคนเป็นแม่เวลาทําบุญสามารถทําบุญให้ลูกได้หรือเปล่าคะถ้าลูกของเขายังเด็กไม่รู้เรื่อง ลูกเขาจะได้บุญหรือเปล่าคะยังไม่ได้แล้วก็รากทาได้ก็คือสอนเขาให้รู้จักวิธีทาบุญในเวลาเราทาบุญใส่บาตแล้วก็ให้เขาทำกับเราเป็นการสอนเขาไปก่อนแล้วพอต่อไปเวลาเขาโตขึ้นเขาก็จะได้ทำเองได้การทำบุญนี้ต้องเป็นของของเราและเป็นความต้องการของเราที่จะทำเราถึงจะได้บุญแต่สาหรับลูกๆนี้เรามีหน้าที่ต้องสอนเขา เหมือนเราสอนให้ลูกกินข้าวถ้าเราไม่สอนให้ลูกกินข้าวก็กินข้าวไม่เป็นนั้นเราก็ต้องสอนให้เขากินข้าวเดี๋ยวพอเขากินเป็นแล้วเราก็ไม่เขาก็กินเองได้ถ้าเราไม่สอนให้เขาทำบุญเขาก็จะทำบุญไม่เป็นแต่ถ้าเราสอนให้เขาทำบุญเขาทำบุญเป็นเนี่ยพอเขามีมีกําลังจะทำบุญได้เขาก็จะทำบุญคำถามจากคุณนริศราพระอาจารย์คะ ที่บอกว่าจิตเดิมเป็นอุปนิสัยเดิมแล้วเราแก้ได้จากการปฏิบัติได้ไหมคะมันจะเปลี่ยนได้หรือเปล่าได้แต่มันยากไงคือว่ามันทำเราเคยทําอะไรนี่มั น, มนพอเราจะต้องทําอะไรตรงกันข้ามมันก็จะรู้สึกยากแต่ก็ไม่สุดวิสัย ก, ก็การมาบวชมาปฏิบัตินี่ก็เพื่อมาแก้นิสัยไม่ดีต่างๆแก้ความโลภความโกรธความหลงซึ่งเป็นนิสัยฝังอยู่ในใจเรามาตลอด เราก็ต้องมาใช้สติใช้สมาธิใช้ปัญญามาหยุดมันถ้าจะแก้ด้วยด้วยความปาถนาอย่างเดียวไม่พ อ, อต้องมีเครื่องมือเหมือนกับเราต้องการเปลี่ยนยางรถเวลารถยางแตกนี่เราอยากจะเปลี่ยนยางนี่ถ้าเราไม่มีเครื่องมือเราเปลี่ยนได้นะเราต้องมีแม่แรงต้องมีที่ขันน็อตใช่ไหมฉันใดถ้าเราต้องการเปลี่ยนนิสัยต่างๆเราก็ต้องมีธรรมะถึงจะเปลี่ยนได้ คำถามจากคุณมะบางครั้งตอนดูหนังตอนอ่านหนังสือหรือตอนฟังพระอาจารย์สอนทําไมยังมีสมาธิมากกว่าตอนฝึกสมาธิจริงๆหาจุดแก้อย่างไรครเราก็ไม่เข้าใจคําว่าสมาธินี้หมายถึงอะไรสมาธินี้ความจริงมันเป็นจิตที่สงบนิ่งไม่คิดไม่ปรุงแต่งไม่รับรู้อะไร แต่การอ่านหนังสือการอันนี้เขาไม่เรียกว่าสมาธิหรอกทางปฏิบัติเราเรียกว่าสติเรามีสติจดจ่ออ ย, อยู่กับการฟังการอ่านนี้เรียกว่าสติไม่ใช่สมาธิเพราะจิตยังไม่นิ่งยังไม่สงบเพราะฉะนั้นคําว่าสมาธินี่คงจะไม่ใช่แล้ ว, วนะ เ, เขาถามว่าทําไมนะมีปัญหาตรงไหนเขาถามว่าทําไมถึงมีสมาธิมากกว่าตอนมาฝึกสมาธิจริงๆพอเราอ่านหนังสือหรือตอนฟังธรรมอะครับ ก็เพราะว่ามันมันน่าสนใจกว่าเวลาเราทำอะไรที่มันสนใจเราก็จะมีสติอยู่กับสิ่งนั้นได้เพราะเราต้องมาเดินจงกรมเดินดูเท้าซ้ายเท้าขวาหรือพุโทโธมันไม่มันไม่ดูดเดืม่มมันไม่สนใจน่าสนใจมันก็เลยทำไม่ได้รู้สึกทำยากก็ได้ดังนั้นคนบางคนบางทีต้องอาศัยการฟังเทศฟังธรรมการอ่านหนังสือธรรมะไปก่อนเพื่อเป็นการสร้างสติขึ้นมาก่อน แล้วค่อยไปเดินจงกรมไปนั่งไปพุทธโธพุทธโธอะไรต่ออีกที่หนึ่งคำถามจากคุณวิไลเวลาเราทำบุญแล้วคนเขาบอกว่าอนุโมทนาบุญด้วยแล้วเราจะตอบกลับอย่างไรดีคะสาธุเลสาธุการอนุโมทนาขอสาธุคำถามครับถ้าเราบวชพ่อแม่จะได้อนิสงบุญจากเราไหมครับ ได้ถ้าพ่อแม่เขาอคือการจะได้บุญจากการบวชของเราก็คือพ่อแม่จะต้องตามเรามาไงธรรมดานี้ถ้าเราไม่บวชพ่อแม่จะไม่เข้าวัดใช่ไหมพ่อแม่จะมีมีธุระกิจไปทํางานทําการทําอะไรต่างๆจะไม่มีเหตุที่จะเข้าวัดนอกจากวันสําคัญอยากจะทําบุญเฉะนั้นแต่ถ้าเรามาบวชนี่ยเขาจะต้องคิดถึงเราเขาก็จะมาเยี่ยมเรา มาหาเราที่วัดมาหาเราที่วัดก็ต้องมาทําบุญเพราะมหาจะมาธรรมดาเรามาวัดเราไม่มามือเปล่าเปล่าเราเวราหาพระเราก็ใบใส่บาทแล้วก็ใบใส่บาทที่วัดเขาอาจจะมีกิจกรรมรักษาศีลฟังเทศละอาจจะสมาทานศีลฟังเทศไปด้วยพอฟังแล้วเราอาจจะเกิดปัญญาความรู้ขึ้นมาเกิดความเข้าใจว่าการปฏิบัติทำดีอย่างนั้นอย่างนี้ก็อาจจะทําให้เขาสนใจ ปฏิบัติธรรมขึ้นมาอันเนี้ยบุญเหล่านี้จะเกิดขึ้นก็เพราะว่าเราบวชถ้าเราไม่บวชเราไม่มาอยู่วัดเขาก็จะไม่มาวัดเขาก็จะไม่ได้มีโอกาสได้มาศึกษาได้มาปฏิบัติอันนี้คือเรียกว่าเกาะชายผ้าเหลืองบุญที่เกิดจากการเกาะชายผ้าเหลืองไม่ได้เกิดโดยอัตโนมัติพอเราบวชปั๊บเขาไม่ได้บุญถ้าเขาไม่มาเยี่ยมเราเลยเขาไม่สนใจตัดหางปล่อยวัต ไม่สนใจไม่ยุ่งเพราะเขาไม่ศรัทธาไม่เชื่อเขาก็จะไม่ได้ประโยชน์จากการบวชของเราแต่ถ้าเขาถ้าเราบวชแล้วเขาคิดถึงเราอยากจะมาพบเรามาเจอเราเขาก็เลองมาวัดมาวัดก็ต้องมาตอนที่เขาทำกิจกรรมบิณบาตใส่บาตอะไรฟังเทศฟังธรรมรักษาศีลไปเขาก็จะได้รับประโยชน์ตรงนี้ถ้าเขาปฏิบัติตามได้ คำถามจากคุณบอยพระอาจารย์ครับเวลากระผมภาวนาพุโทโธพุโทโธพอทำไปสักพักจิตวูบไปสบายกายกายเบาสบายใจแต่จิตไม่รวมการภาวนาของกระผมพอจะก้าวหน้าขึ้นไหมครับขอพระอาจารย์เมตตาช่วยชี้แนวทางการปฏิบัติด้วยครับอันนั้นก็อันนั้นก็รวมรวมแล้วเนะ่แต่รวมไม่เต็มที่รวมในระดับหนึ่ง คือยังรับรู้ทางร่างกายอยู่ถ้ารวมเต็มที่มันจะไม่รับรู้ทางร่างกายเลยแต่ถ้ามันวุบลงไปแล้วมันนิ่งมันเบามันสบายใจก็ถือว่าจิตสงบจิตรวมได้ได้ในระดับหนึ่งนละ้วคำถามจากคุณทำดีที่สุดแล้วอยากบวชค่ะแต่อยากให้ท่านแนะนำวัดที่สงบสงบให้ด้วยค่ะเอ้ยเราไม่ได้เป็นคนที่จะมาเป็นไกด์พาไปวันว น, ว น, ว น, นู้นวันนี้ ก็ต้องหาเอาเองต้องไปศึกษาค้นคว้าหาเอาเองเพราะว่าในประเทศไทยมันก็มีเยอะแยะก็ลองไปค้นใน Google ดูก็ได้วัดสงบสงบเเดี๋ยวก็โผล่ขึ้นมาเองคำถามจากคุณชนะตนศรัทธาที่จะไม่คลอนแคลนแล้วต้องได้โสดาบันขึ้นไปใช่ไหมคะถ้าปุถุชนจะต้องอาศัยหลักใด ในการพยุงไม่ให้ศรัทธาเสื่อมถอยไปก่อนก็ต้องศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ให้ได้เราก็ต้องเป็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่ใช่พระพุทธลูกตั้งพระพุทธเจ้าพระธรรมคำสอนแล้วก็พระสาวกทั้งหลายที่ผ่านมาแล้วในอดีตอย่าไปศรัทธาในสงฆ์ที่ยังมีชีวิตอยู่เพราะไม่แน่นอน อาจจะเปลี่ยนได้อาจจะเสื่อมได้ถ้าเราไปศรัทธากับภาพรูปหนึ่งแล้วเดี๋ยวทําไปทำมาท่านกลายเป็นอรัชชีขึ้นมามันก็จะทําให้เราเสื่อมศรัทธาได้เนเราต้องปลูกฝังศรัทธาเราอยู่ในสิ่งที่เราที่มันไม่มีวันไม่มีวันเปลี่ยนแปลงก็คือพระพุทธเจ้านี้ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงเพราะทำคําสอนที่บันเทึกไว้ในพระไตรปิฎกไม่มีวันเปลี่ยนแปลงและพระอริยสังฆสาวกทั้งหลายที่ตายไปแล้ว ครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่ท่านเป็นกระดูกเป็นพระธาตุแล้วเนี่ยมีให้มีศรัทธาในพระเหล่านี้มาท่านเหล่านี้ละเป็นผู้ที่ได้ประโยชน์จากการศึกษาจากการปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเราจะไม่มีวันเสื่อมศรัทธาถ้าเราไปศรัทธาในเรื่องอื่นนี่เราจะเสื่อมได้ถ้าเกิดไปศรัทธาในพระพุทธรูปเกิดเกิดเกิดคนเข้ามาขโมยพระพุทธรูปไปเดี๋ยวมันก็ทําให้เสื่อมศรัทธาได้ไป ไปศรัทธากับอ่อะไรที่มันเปลี่ยนแปลงได้เนี่ยมันก็มันก็จะทําให้เราเสื่อมได้หมดแล้วเหรอ่าทางนี้อย่ากระถามได้มไหมถามแล้วเหรอไม่ต้องแล้วเหรอทางนี้เหรอไม่ต้องอทางนี้ว่าไงจะตกท้ายนี่แค่นี้วันนี้ไม่มีอะไรตกท้ายเลยวันนี้ อ, อเดี๋ยวอย่าพึ่งพูดอย่าพึ่งพูด การจะพูดก็พูดผ่านไมโครโฟนกล่าวนมัธ ก, การค่ะพระอาจารย์หนูนั่งสมาธิบ่อยครั้งมากในแต่ละวันแต่ว่ากิจที่สงบวูบลงไปที่เหมือนที่พระอาจารย์ว่านี่จะต้องมีลักษณะเป็นยังไงคะมันต้องรู้เองสิบปากว่าไม่เท่าหนึ่งตาเห็นอ๋อมันเห็นแล้วมันจะรู้เองอ๋อเป็นอย่างนี้เององั้นตอนนี้ก็มีสติไปเรื่อยๆก่อนฝึกสติ เวลานั่งก็มีสติอยู่กับลมอยู่กับพุทธโธอย่างใดอย่างหนึ่งไปก่อนแล้วเดี๋ยวมันจะวูบมันวุ้บเองอแล้ว <c oughs> แต่มันเป็นวุบสองอย่างวุบแบบหลับก็ได้วุบแบบไม่รู้เรื่องสปะปงกนั่งแบบนี้ค <c oughs> <c oughs> อพับทีนีอะไรอย่างนี้ไม่ใช่ไม่ใช่สมาธิ <c oughs> ถ้าวุบแบบสมาธิร่างกายอย่านิ่งยังไม่ไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่หัวไม่คว่ำหัวไม่ไมกม้มศีรษะไม่กลมลงไป มันจะวุบข้างในแต่ถ้าร่างกายถ้าวุบแบบหลับเนี่ยมันจะร่างร่างกายมันก็จะพับลงไปด้วยอัง น, นั้นต้องอย่าไปอย่าไปคาดอย่าไปคาเในถ้ายังไม่เห็นก็อย่าไปสนใจให้ฝึกสติมากๆเพราะสตินี้จะเป็นผู้พาเราไปขอบพระคุณค่ะมีคำถามไหมไม่มี ไม่มีทางทางเฟสบุ๊กมีไหมยูทูบนะก็ไม่มีเลยมีก็ได้ออาส่งไปค่ะกราบเรียนถามเกี่ยวกับเรื่องดูแลคุณแม่ค่ะที่เคยเรียนพระอาจารย์ว่าคุณแม่เป็นอัลไซเมอร์ทีนี้เราก็จ้างคนดูแลคุณแม่ก็คือดูแลเรื่องเกี่ยวกับร่างกายเพราะช่วยเหลือไม่ได้ แต่คนดูแลก็จะไม่รู้ใจคุณแม่เหมือนเราทีนี้เวลาเราอยู่กับคุณแม่เนี่ยก็คืออารมณ์จะดีคุยรู้เรื่องนั่นคือเรากําลังดูแลตัวจิตหรือธาตุรู้ของคุณแม่หรือเปล่าคะก็นั่นแหละก็มันต้องมันไปด้วยกันไงที่อารมณ์ดีก็เรื่องของจิตแล้วไม่ใช่เรื่องของร่างกายทีนี้ถ้าเราต้องไปทํางานหรืออย่างเนี้ยมาก็สอนคนที่ดูแลแทนทําอย่างนี้ทํอย่างนี้สิ สอนได้เนี่ยของพวกนี้แต่ถ้าเขาไม่ทําก็ต้องปล่อยไปอ่าก็ถือว่าเป็นกรรมของแม่ไปโอเคอาจจะไปมีอะไรกับคนที่มาดูแลท่านก็ได้คะอาจจะทํากรรมกันมาเขาก็เลยไม่เมตตาเขาก็เลยไม่ไม่ใช่กรรมของเราใช่ไหมไม่ใช่กรรมของเราค่ะกลับขอบพระคุณค่ะพระอาจารย์ขอบคุณค่ะทำกรรมอนไดไว้ดีหรือชั่วจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นกรรมใครกรรมมันใครทําอะไรไว้ก็จะต้องรับกรรมอย่างนั้นไป ดังน้นพยายามทําความดีไว้แล้วเราจะได้พบแต่สิ่งที่ดีทำกรรมไม่ดีก็จะเจอแต่สิ่งที่ไม่ดีย้อนกลับมาหาเราคําถามจากคุณมะครับการศรัทธาในธรรมะแล้วเราส่งไลน์ข้อธรรมะต่างๆคําสอนของพระอาจารย์ส่งไปให้เพื่อนๆจะถือว่าทําบุญไหมคะก็เป็นการให้ทำธรรมทานฮ เป็แต่ว่ามันก็ก็เป็นการทําบุญเป็นการให้ธรรมะซึ่งชนะการให้ทั้งปวงดีกว่าส่งเงินไปให้เขาเพราะเงินก็จะช่วยกําจัดความทุกข์ทางร่างกายแต่ธรรมะนี่จะกําจัดความทุกข์ทางใจซึ่งเงินทองไม่สามารถกําจัดได้คําถามจากคุณแซกซี่ผมสงสัยว่าคนป่าที่ต้องล่าสัตว์เพื่อดํารงชีวิตรอด เขาต้องดำเนินชีวิตยังไงให้ไม่ผิดศีลข้อหนึ่งครับอ๋อเขาก็ต้องกินผักกินอะไรแทนไงถ้าเป็นถือกินเจไงถ้าเขามีจิตสำนึกว่าการไปฆ่าผู้อื่นเพื่อเอามาเป็นอาหารนี่มันไม่ดีแล้วเขาเลอกกินเนื้อสัตว์ได้เขาก็ไม่ต้องฆ่าสัตว์ได้อันนี้ก็อยู่ที่หนึ่งจิตสำนึกถ้าเขามีจิตสานึกเดิมเคย เคยรักษาศีลข้อไม่ฆ่าสัตว์ได้เวลาเข้ามาเกิดถึงแม้ว่าเขาจะไปอยู่ในสังคมที่เขาฆ่ากันเพื่อกินแต่ตัวเขาอาจจะไม่ทำก็ได้หรือไม่เช่นั้นก็ต้องมีคนสอนคนสอนว่าอย่าไปฆ่านะถ้าจะกินอะไรก็อย่าไปทำร้ายชีวิตของผู้อื่นก็ไปกินผักกินอะไรแทนไปคาถามจากคุณนัทชัิอาจารย์ครับนั่งสมาธิยังไงไม่ให้ง่วงนอนครับ ความวุ่วินี้มันมีสาเหตุจากหนึ่งรับประทานอาหารมากเวลารับประทานอาหารอีกใหม่ๆนี้ไม่ควรนั่งควรจะเดินจงกรมแทนถ้าอยากจะปฏิบัติเพราะนั่งแล้วมันต้องหลับแน่ๆหนังท้องตึงแล้วหนังตา ม, มันต้องหย่อนะยั่งเวลารับประทานอาหารเสร็จใหม่ๆนี้นักปฏิบัติส่วนใหญ่จะไม่ไม่นั่งสมาธิกันจะเดินเพื่อให้มันย่อยให้ให้ความอาหารนี่มันย่อยลงไป เดินประมาณสักชั่วโมงสองชั่วโมงบงทีเดินเพื่อให้มันหายง่วงพอหายง่วงเราให้กลับไปนั่งใหม่เมื่อแล้วเหรอการปฏิบัติมันก็ต้องรู้จักวิธีแก้ปัญหาต่างๆเพราะปัญหาเรียกวันนิวรนี้มีถึงห้าปัญหาด้วยกั น, อ, นอันแรกเรียกว่ า, อ, าอะไรศรัทธาหรือเปล่ า, ว, า ว, ว, ว, วิจิตกิจฉาความสงสัย ความสงสัยในคำสอนว่าคำสอนนี้เป็นคำสอนที่จริงหรือไม่ปฏิบัติแล้วได้ผลหรือไม่อันนี้ก็ต้องไปพยายามศึกษาจากแหล่งคือศึกษาจากพ่อไตยปิดกหรือศึกษาจากพระที่เขาปฏิบัติได้ผลแล้วเขาก็จะมาบอกว่าทำให้เธอดได้แน่ๆถ้าเราได้ไปได้ศึกษาจากคนที่เขารู้ที่เขาได้สัมผัสแล้วเหมือนกับเราจะไปเที่ยวที่นี่แต่เราไม่รู้ว่า ที่เขาโฆษณามานี่มันจริงอย่างที่มันเป็นหรือเปล่าเราก็สงสัยใช่ไหมแต่ถ้ามีเพื่อนไปเที่ยวมาแล้วเราก็ไปถามเขาให้เป็นยังไงเขาก็จะบอกเราได้เราก็จะหายสงสัยได้ยังถ้าเราสงสัยเราก็ต้องไปหาคนที่เขามีความมีมีความรู้มีความมั่นใจที่เขาจะบอกกับเราได้ว่าเป็นอย่างไรอันนี้ถ้าเราสงสัยเราจึงก็ต้องไปห า, าพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ถ้าเราต้องการที่จะรู้เรื่องของการปฏิบัติเนี่ยพราะถึงแม้จะเป็นพระที่ศึกษาพระไตรปิฎกอย่างเดียวก็ยังไม่พอเพราะการศึกษานี้มันเป็นเพียงแต่เป็นการเหมือนกับเป็น ก, การอ่าน brochure ของสถานที่ที่เราจะไปแต่ยังไม่ได้ไปต้องไปก่อนถึงจะมาสามารถพูดได้ตามความเป็นจริงเรฉะนั้นคนที่ศึกษาธรรมะโดยไม่ปฏิบัติถึงแม้เขจะสอนธรรมะได้แต่ก็ยังสอนไม่ได้แม่นยา ฟังแล้วบางทีเรายังไม่มั่นใจแต่ถ้าเราไปฟังกับคนที่เขาได้บรรลุแล้วได้ผลแล้วเราฟังแล้วเราจะเขาจะพูดได้อย่างเต็มปากว่าเป็นอย่างนี้จริงๆเราฟังแล้วเราก็จะเกิดความมั่นใจขึ้นมาได้อันนี้ก็คือวิธีแก้วความดังเลยสงสัยต้องเข้าหาผู้รู้จริงเห็นจริงสมัยพุทธกาลเข้าหาพระพุทธเจ้ากันหาพระอรหนต์ทศาวกกัน สมัยนี้ก็ต้องไปหาพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทําไมญาติโ ย, ยมจึงไปหาพระป่ากันอยู่กรุงเทพอยู่ในบ้านอยู่ในเมืองกันทําไมต้องขับรถไปไกลไปหาพระป่าที่อยู่ไกลแสนไกลก็เพราะว่าพระในเมืองนี้เวลาเขาไปศึกษาแล้วเขาไม่มั่นใจเพราะสิ่งที่พระสอนกับสิ่งที่พระทำไม่เหมือนกันสอนอย่างหนึ่งแล้วทําอีกอย่างเหมือนแม่ปู่แม่ปู่สอนบอกให้เดินตรงๆ แต่คนสอนนีงก็ยังเฉยไปเฉยมาอยู่เนีย่ยเขาก็ไม่มั่นใจเขาก็ต้องไปหาพระที่สอนอย่างไงทำอย่างนั้นใช่ไหมพระป่านี้ท่านสอนให้ทำอย่างไรท่านก็ทำอย่างนั้นเขาก็เลยมีความมั่นใจที่จะไปฟังเทศจากพระป่ากันอันนี้ก็เป็นวิธีแก้ความลังเลสงสยัยมีไหมยังไม่มีมาแล้วถ้ามีปัญหาอย่างอื่นนอกจากความลังเลสงสยัยก็มีความวุ่งนอนนี้ คามง่วงนอนก็มีสาเหตุจากการที่เรากินมากเกินไปส่วนนี้ดังนั้นคนที่ปฏิบัติเขาถึงแนะนําให้กินกินมื้อเดียวหรือถือศีลแปดกันจะได้ทําให้ลดการปริมาณการรับประทานอาหารลงแล้วช่วงที่รับประทานอาหารเสร็จใหม่ๆถ้าจะปฏิบัติก็อย่านั่งให้เดินแต่บางทีขนาดถือศีลแปดแล้วกินมื้อเดียวแล้วมันยังง่วงได้เพราะยังกินมากอยู่ ก็บางทีต้องไปหาที่ที่จะทำให้เราไม่ไม่ไม่ง่วงเช่นไปอยู่ในป่าที่น่ากลัวมีเสียงมีเสียงสารราษตร์อะไรต่างๆหรือไปที่ป่าช้าก็ได้ที่เรากลัวผีกันเนี่ยถ้าไปอยู่ป่าช้าแล้วตามันจะเตืน่นมันจะไม่ง่วงมันจะไม่หลับอะ่ั้นี้นก็ต้องหาวิธีหามาตรการแก้ลดการรับประทานอาหารลงถ้ากินเมื่อเดียวยังง่วงบางทีก็กินวันวันเว้ น, ว, นวันก็ได้ บางทีก็อดทีสามวันก็อยมากินหนหนึ่งก็ได้ต้องแก้ด้วยวิธีการอะไรนี้เป็นหนึ่งจะแก้ได้มีไหมมีสองคำถามครับ ค, คุณพัฒนันครับกิเลสในคราบของคนดีพอปฏิบัติมาสักระยะโทสะโมหะราคะลดลงก็หลงสำคัญตนแล้วเผลอตัวชอบไปสอนคนรอบข้างอยากเปลี่ยนคนนั้นคนนี้ ถ้าไม่สังเกตพิจารณาจะมองไม่เห็นกิเลสตัวนี้มันมาแบบเนียนๆตัวนี้จะแก้อย่างไรดีครับก็พยายามเตือนตัวเองว่าเรายัางไม่บรรลุเรายัางมีกิเลสซ่อนอยู่ยเยอะควรจะมาคอยกําจัดคอยค้นหาตัวกิเลสที่มีเราอยู่ในตัวเราดีกว่าอย่าเพิ่งไปกังวลงกับการสั่งสอนใครเลยอย่าไปยุ่งกับการสั่งสอนใคร ถ้าจะสอนก็สอนแบบง่ายๆสั้นๆพอให้เขารู้ทางถ้าก็อยากจะรู้มากก่อนนั้นให้เขาไปหาครูบาอาจารย์จะดีกว่าส่วนเรานี่เราเอาเวลาของเรามากับการปฏิบัติคือกิเลสมันมีสองพวกพวกที่เพ่นพ่านกับพวกที่หลบซ่อนเวลาปฏิบัติใหม่ๆเราก็กำจัดพวกที่ออกมาเพ่นพ่านได้แต่พวกที่หลบซ่อนนี่เราไม่ไม่ค่อยเจอมันดังนั้นเราต้องใช้ปัญญาขุดคุยหามัน เห็นจะเจอมันต้องคอยสังเกตดูอยู่เรื่อยมันถึงจะเห็นอย่าชลาดใจอย่าไปคิดว่าพวกกิเลสที่มันหยาบหยาบตัวที่ออกมาเพ่นพ่านมันตายแล้วมันหมดแล้วมันยังมีพวกละเอียดที่มันหลบซ่อนอยู่ที่เราจะต้องใช้ความความระมัดระวังที่จะต้องคอยจดจอ่อคอยคอยสังเกตดูถึงจะเห็นได้คาถามจากคุณพลพระอาจารย์คะ ใครทุกข์ใจร้องไห้มาหนูเอาทำพระอาจารย์สอนเขาให้หายทุกข์ใจได้ไหมคะเพราะมีมาบ่อยคะ่ะก็ลองดูเสียมันไม่ใช่ว่าจะหายเนี่ยหายไม่หายมันอยู่ที่คนมาอ่ะเหมือนคนไข้หาหมอแล้วหมอให้ยาไปถ้าไม่เชื่อหมอไม่กินยามันก็ไม่หายหบางคนให้ธรรมะเข้าไปแล้วเขาไม่เอาไปใช้มันก็ไม่หายแต่เรามีหน้าที่ให้ก็ให้ไป แต่ก่อนจะให้ก็ต้องถามมาก่อนว่าอยากจะรับหรือเปล่าถ้าให้โดยที่เขาไม่อยากรับก็อย่าไปให้ให้เสียเวลาเราต้องสังเกตดูว่าเขาเป็นคนที่พร้อมที่จะรับธรรมะหรื อ, อยังถ้ายังไม่พร้อมก็อย่าเพิ่งไปให้เขาถ้าก็พร้อมก็ให้ลองดูมีัหมมีสองข้ อ, อสองข้อสุดท้ายคุณชนะตนนะครับชาวพุทธแท้ควรตั้งเป้าให้ได้โสดาบันอย่างต่ําถูกไหมคะ ไม่เราต้องได้นิพพานเลยทำไมเราแค่ข้ามโสดาบันถ้าได้โสดาบันมันก็ได้นิพพานมันก็พอมันไปแล้วมันก็จะเหมือนไฟพอมันจุดแล้วมันจะลามไปของมันเองคําถามนะครับเรียนถามพระอาจารย์ถ้าอยากปฏิบัติธรรมแบบเข้มโดยไปอยู่วัดจําเป็นต้องโกนผมบวชชีหรือไม่หรือไม่ หรือบวชแบบเนกขมมะโดยไม่ต้องโกนผมก็ได้ขอคําชี้แนะขอบพระคุณค่ะมันก็เป็นเหมือนกับเมนูอาหารเน่ยเราอยากจะกินอาหารชนิดไหนเราก็เลือกกินได้ราคาถูกก็มีราคาแพงก็มีการปฏิบัติจะปฏิบัติแบบเข้มข้นก็ได้แบบไม่เข้มข้นก็ได้ถ้าอยากจะเข้มข้นก็โกนหวัวมไปเลย ถ้ายังไม่อยากจะเข้มข้นก็ผสมโซดาหน่อยชอบใจああถามดูกราบน้ำมัศการค่ะอยากจะเรียนถามพระอาจารย์ว่าสติที่กำลังไม่พอเวลาที่เราเจริญสติเนี่ยก็จะทำให้เราวูบมีอาการง่วงเหาหานอนได้ใช่ไหมคะถ้าเรามีสติกำลังมากพอ เราจะสามารถส่งสตินั้นอยู่ได้ถึงแม้เราจะจะเขาเรียกว่าพักผ่อนน้อยแต่ว่าเราเราสามารถที่จะทําสติตรงนั้นได้ให้มันให้มันอยู่ได้โดยที่เราไม่มีอาการง่วงเหงาหานอนถูกใช่ไหมคะก็ะลองทําดูสิถ้าทําได้ก็ถือว่าถูกถ้าทําไม่ได้ก็ไม่ถูกพอดีช่วงช่วงหลังนี้พอดีป่วยบ่อยแล้วก็พอกลับมาได้เริ่มทาอะคะ่ะแต่ว่ามันก็จะปิดอยู่ตรงที่ว่า มีถึงแม้จะนอนพอแต่ว่าตัวเองเหมือนสติมันจะมีช่วงที่เหมือนมีความรู้สึกว่าเราจมหรือเปล่าคือพอพออยู่ไปอะคะ่ะมีความรู้สึกตัวอยู่มีความรู้สึกว่าตัวเองมีสติอยู่แต่มันมันลึกลงไปแล้วเหมือนติดอยู่กับสุขในนั้นนะคะหนูไม่แน่ใจว่าตรงนี้มันคืออะไรต้องแก้อะไรอีกไหมคะเพราะว่าพอดีช่วงก่อนต้องพัก รักษาตัวนานเลยเรื่องสติมันเกี่ยวกับความคิดเท่านั้นเองถ้ามันไม่คิดก็แสดงว่าเรามีสติถ้าเราหยุดความคิดได้ถ้ามันหยุดแล้วมันมีความสุขก็ไม่เป็นไรแต่ก็คือไม่ได้เรียกว่าเราติดจมอยู่ในนั้นใช่ไหมคะก็เรายังเดี๋ยวเราก็ออกมามันเป็นพักๆไม่ใช่ใช่อหมมันก็เป็นพักๆมีสติมันก็จะมีความสุขถ้าไม่มีสติมันก็จะฟุ้งขึ้นมาท้แล้วก็ทีนี้ก็ต้อง ต้องทําให้ต่อเนื่อง ใ, ใช่ไหมคให้มันเติบให้มันสุกไปนานๆบ่อยๆให้มันสุกไปทั้งวันที่พระอาจารย์เคยบอกว่านั่งให้นานขึ้นอ่าท <ำ S 1> ําให้ต่อเนื่องอขึ้นถ้าเราทนานํานาญแล้วเราค่อยไปทางปัญญาไปสอนใจให้มองทุกอย่างให้เห็นว่าเป็นตายรักต่อไปกราบขอบพระคุณะคะ่ะหมดแล้วยังอ่าคำถามคาถามสุดท้ายคํำถามแรก ไม่นับนะคะเป็นต่อนเนื่องจากเมื่อกี้ค่ะก okay. okay. ็คือกลัวกลัวไม่กลัวไม่ได้ถามค่ะก็ถ้าอย่างนั้นไม่ไม่ใช่ความรู้สึกติดสุกใช่ไหยฮะไม่ได้ยึดมั่นแล้วทำเพื่อให้มันสุกมันอะไรมกินเหล้ามันก็กินเพื่อให้มันสุกใช่ไหมซึ่งมันไม่ดีด้วยเลยซึ่งถ้าเราสงบถ้าจะสงบมันไม่มีโทษอเคมันก็ให้ปล่อยให้เราได้มีความสุขแท้ถ้าสุขจากสตินี่ไม่ต้องกลัวอเคไม่เป็นพิษเป็นภัยคค่่ะะ คำถามค่ะที่จะถามเพื่อนให้ถามค่ะมีคนมาขอของบ่อยมากขอเขาก็ให้พอให้ไปเรื่อยๆเริ่มเริ่มทุกข์แล้วแต่เขาไม่หยุดขอก็เลยรู้สึกว่าถูกเอาเปรียบจะทํายังไงก็ระดาษข้าเสนออย่าไปให้แล้วคือคือให้จนถกคือให้นะคะแต่รู้สึกว่าเป็นการฝึกว่าเออเรารู้จักไม่แต่ดีให้ให้แต่คือลูกน้องก็ขออยู่นั่นน่ะขอขอแบบอ้างนู่นอ้างนี่ล้วก็รู้สึกว่าเราทุกข์ละ หรบางครั้งถูกเอาเปรียบเนี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่าอันนี้เป็นจิตที่ทดสอบเราละเราก็โอเคแต่ว่าน้นเข้าก็เอาอีกเอาเปรียบอีกเอาเปรียบอีกเราก็รู้สึกเป็นทุกข์อีกแล้วเลยค่ะถามว่ามีวิธีแก้คือมันม<ช>ีสองประเด็นประเด็นหนึ่งก็คือใจเรากับผู้ขอถ้าผู้ขอขอแบบไม่มีเหตุไม่มีผลเราก็ควรที่จะหยุดอีกประเด็นนี้ก็คื อ, อเราทุกข์เพเราเสียดายไม่อยากจะให้ถ้าถ้าเป็นประเด็นนี้ก็ต้องต้องให้ไปให้ได้อย่าไปเสียดาย แต่อาจจะเปลี่ยนคนให้ก็ได้ถ้าคนให้มันมากเกินไปแล้วคนนี้ก็เอาไปให้คนอื่นที่เขาขาดขาดแคนที่เขาเดือดร้อนที่เขาต้องการนั่นก็ต้องคอยดูว่ามันเป็นอย่างไรกันแน่มันเป็นเพราะเรายังหวงยังเสียดายอยู่หรือเปล่าหรือว่าเราเห็นว่าเขาเลยเถิดละเกินเหตุเกินผลลวเราก็หยุดได้แต่ถ้าเราคิดว่าเราเสียดายแล้วเราก็ต้องฆ่าไอกิเลตตัวเสียดายนี้ด้วยการไปให้คนอื่นต่อให ช่วยเหลือคนอื่นแทนต่อไปแต่ถ้าเราไม่เสียดายแล้วเราต้องเก็บไว้สำหรับใช้กับหลับตัวเราเองเราก็เก็บไว้มันก็มีสองประเด็นเอาแล้วนะวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพิจิตพิ จ, จารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเท่